ที่วัดรรมสับมืน่นอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาวันที่12มิถุนายน2549ทามันเป็นที่สุดฟังให้ดีฟังใจให้ดีอย่าลาดเคลื่อน ได้ที่ฟังแล้วมันยังขาดขาดเคลนเลือะไรก็เอาล้างให้หมดก่อนล้างเอาใหม่ตั้งตนใหม่ตั้งใจฟังให้ดีล้างให้จิตใจว่างเปล่าอย่าเอาสัญญาเก่ามาเทียบเคียงทั้งหมดเอาตั้งใจฟังให้ดีตั้งใจฟังให้ดี สิ่งใดก็ตามที่ถูกลับรู้ได้ทั้งอายตนะทั้งหคือตาหูจมูกอินกายใจก็คือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสภายในก็คือความรู้สึกความรู้สึกเป็นสุขความรู้สึกเป็นทุกข์ความรู้สึกเป็นกลางๆความรู้สึกสบายความรู้สึกไม่สบาย ความตึกความนึกความคิดความปรงแต่งอารมณ์ปฏิกิริยาทั้งหมดที่เกิดขึ้นมาภายในใจมีการก่อเกิดขึ้นมามีการกระเพิ่มขึ้นมามีการไหวตัวขึ้นมามีปฏิกิริยาอะไรขึ้นมาภายในใจที่มีความเปลี่ยนแปลงได้เกิดดับได้สามารถรับรู้ได้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจทั้งหมดสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นเป็นโลกหรือว่าเป็นสังขารที่ไม่เที่ยง หลวงปู่ทาจาลุธโมได้สอนจือเสมอว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงลีกเลี้ยงเสียพลอนัตตาไม่ใช่ตนอยากกังวลว่าร่างกายสิ่งใดที่ถูกรับรู้ได้ทั้งตาหูจมูกลิ้นกายใจสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นล้วนเป็นโลกหรือเป็นสังขารปรุงแต่งเตี้ยทั้งหมดสิ้น สังขารทั้งหลายเหล่านั้นย่มไม่เที่ยงอีกเลี่ยงเจเพลนอนัตตาไม่ใช่ตนอยากตองวนว่าร่างกายอยาเข้าไปยึดมั่นถือมั่นอยากเข้าไปยุ่งอยาเข้าไปวุ่นวายอยากเข้าไปพอใจอยากเข้าไปไม่พอใจอยากเข้าไปยินดีอยากเข้าไปยินร้ายอยากเข้าไปอยากหรือไม่อยากอย่างไรนี่เป็นคำสอนที่ตรงไปตรงมาหรือว่าสิ่งใดที่ถูกรับรู้ได้สิ่งนั้นเป็นโลก สิ่งใดที่ไม่อาจจะถูกรับรู้ได้ทางอายะตนาตาหูจมูกลิ้นกายใจสิ่งนั้นเป็นธรรมนี่เป็นคําสอนของหลวงปู่ดูลยอาตุโลสิ่งใดที่ถูกรับรู้ได้ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจก็คือความรู้สึกนึกคิดอารมณ์สิ่งทั้งหลายเหล่านั้นเป็นโลกเสียทั้งสิน้นโลกทั้งหลายต้องทิ้งไปสลัดทิ้งไปจับใจรู้แล้วละเสียรู้แล้ววางเสียเพราะสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นเป็นโลกเป็นสังขารปรุงแต่ง สังขารทั้งหลายอย่าเข้าไปยึดมั่นถือมั่นต้องปล่อยวางไปรู้โลกไม่ติดโลกรู้สังขารปรุงแตง่งรู้รู้ลดขีดเสียงสัมผัสรู้ความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ทั้งหลายทังตาหูจมูกลิ้นกายใจรู้แล้วไม่ติดรู้แล้วละเสียรู้แล้ววางเสียนั่นแหละคือวิมุตติหรือคือปานิพานหรือคือธรรม ทำหรือวิมุตต์หรือปณิพนัชไม่อา จ, จแสวงหาได้โดยการคิดคน้นโดยการดิ้นรนโดยการค้นหาโดยการอยากให้ถึงอยากให้เป็นอยากให้ได้ไม่อาจที่จะไปถึงทำไปถึงวิมุตต์ไปถึงปณิพนัได้โดยวิธีการดิ้นรนการค้นหาความอยากให้ถึงอยากให้เป็นไปอยากที่เราเองคิดเอาเอง <ti> นึกเอาเองวาดฝันเราเองตั้งใจเอาเองว่าจะเป็นว่ามันเป็นอย่างนั้นว่ามันเป็นอย่างนี้ แล้วก็ตู่เอาว่านั่นคือปณิพาน์ถ้าเป็นอย่างนั้นจะต้องเป็นนิพาน์เช่นว่าถ้าไม่มีอาการที่อย่างนี้ถ้าไม่เป็นอย่างนี้ถ้าไม่เป็นอย่างนั้นถ้ามันเป็นอย่างนี้อย่างที่เราคิดต่อว่าฝันมันจะต้องเป็นปณิพาน์ถ้าไม่เป็นอย่างนั้นจะต้องเป็นปณิพานไม่มีเป็นอย่างนั้นเป็นอนเด็ดขาดเพราะไม่อาจเป็นไปได้อย่างที่เราได้คาดหวังไว้เลยเป็นอันขาดเพราะปณิพาน์ไม่อาจที่จะรับรู้ได้ทั้งอายตนะทั้งหมด ไม่อาจจะรับรู้ได้ทางตาทังหูทั้งจมูกทา้งกายและที่สาคัญที่สุดไม่อาจจะรับรู้ได้ทางใจสิ่งใดก็ตามที่เราสามารถรับรู้ได้ทางใจคือความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ต่างๆรวมทั้งความสุขที่สุดความสบายที่สุดสว่างที่สุดวา่างเปล่าที่สุดเบิงวางเหมือนดั่งอวกาศสิ่งเหล่านั้นถ้าเอามาเล่าบอกคนอื่นได้ว่า อกูมันว่างไปหมดเลยมันสบายหมดเลยมันสว่างไปหมดเลยมันสว่างอย่างที่สุดมันสบายอย่างที่สุดมันว่างอย่างที่สุดมันเบาอย่างที่สุดประเสริฐสุดไอ้สิ่งนี้ไม่ใช่ประเสริฐสุดเลยเพราะสิ่งเหล่านั้นเป็นสังขารเสีย <edia> สิ้นเพราะสิ่งใดที่ถูกรับรู้ได้ตั้งใจแล้วเอามาบอกคนอื่นได้เอามาเล่าบอกคนอื่นได้สิ่งทั้งหลายเหล่านั้นเป็นโลกหมดเสียทั้งสิ้นเป็นสังขารปรุงแต่งหมดเสียทั้งสิ้นพล้วภูธาจารุธโมได้กล่าวว่าได้สอนว่า สังขารทั้งหลายเหล่านั้นไม่เที่ยงอีกเลี่ยงเสียพ้นอนัตตาไม่ใช่ตนอย่า ก, กังวลว่าร่างกายรู้โลกไม่ติดโลกนั่นแหละจะถึงสิ่งวิมุตติถึงถึงพานิพานที่ท่านกล่าวไว้อย่างนี้วิมุตติหรือพานิพานไม่อาจแสวงหาโดยการคิดเอาอยากเอาอยากให้เป็นอยากให้ถึงโดยการคาดหวังของเราเองว่ามันจะต้องเป็นอย่างนั้นจะต้องเป็นอย่างนี้จะต้องไม่เป็นอย่างนั้นจะต้องไม่เป็นอย่างนี้หรืออยากให้มันเป็นให้อย่างนั้นอยากให้มันเป็นอย่างนี้อย่างนั้น เป็นแต่กิเลสทั้งหมดเป็นแต่ตันหาทั้งหมดเป็นความคิดปงแต่งของเราเองเป็นความอัยากของเราเองครูบาอาจารย์ตั้งหลายตั้สอนอยู่ตรงไปตรงมาอยู่แล้วว่าให้รู้ซื่อๆรู้ซื่อๆรู้ตรงไปตรงมาคือดีก็รู้ชั่วก็รู้เป็นบุญก็รู้เป็นบาปก็รู้เป็นกุศลก็รู้เป็นอกุศลก็รู้สักแต่ว่ารู้ลําไปรู้ทางตาก็สักแต่ว่ารับรู้ทางตารู้ทางหูก็สักแต่ว่ารับรู้ทางหู รู้ตั้งใจรู้สึกรู้ความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ก็สักแต่ว่ารู้ความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ไม่ว่าความรู้สึกนึกคิดอารมณ์นั้นจะดีหรือไม่ดีจะเป็นบุญหรือเป็นบาปเป็นชั่วหรือเป็นถูกใจไม่ถูกใจสิ่งเหล่านั้นสิ่งที่ถูกรับรู้เหล่านั้นไม่ใช่พณิพานไม่ใช่ธรรมไม่ใช่พระวิมุติถ้าเราสามารถรู้อยู่ปล่าๆได้สักแต่ว่ารู้นั่นแหละคือพณิพานนี่ รู้สักแต่ว่ารู้ได้นั่นแหละคือปณิพัน์หรือรู้สิ่งใดแล้วไม่ติดสิ่งนั้นนั่นคือวิมุตต์หรือปณิพาน์โดย อ, อัตโนมัติทำหรือปณิพาน์นั้นไม่อาจแสวงหาได้ไม่อาจค้นคิดได้ไม่อาจคาดหวังไปได้ว่าจะเป็นอย่างที่เราต้องการแต่วิธีที่จะถึงธรรมนั้นจะถึงวิมุตต์จะถึงปณิพัน์นั้นก็โดยการที่รู้สักแต่ว่ารู้นี่ที่หลวงปู่ทาได้กล่าวว่าสมมุติก็คือรู้สิ่งใดแล้วติดสิ่งนั้นเรียกว่าสมมุติ รู้สิ่งใดแล้วไม่ติดสิ่งนั้นเรียกว่าวิมุตต์รับรู้อยู่เปล่าๆสัจแพทย์ว่ารับรู้รู้ให้เร็ ว, ร, ร, ว, ร, วรู้เท่าทันให้เร็วๆแล้วก็ละให้เร็วรู้เท่าทันให้เร็วๆแล้วละให้เร็วๆก็รู้สิ่งใดแล้วไปติดสิ่งนั้นรู้สิ่งใดรับรู้สิ่งใดทางตาหูจมูกลิ้นกายใจรู้แล้วเข้าไปพอใจรู้แล้วเข้าไปไม่พอใจรู้แล้วอยากให้เป็นไปอย่างไรต้องละความอยากละความพอใจละความไม่พอใจเสียก็ จะเป็นวิมุตต์หรือเป็นพรนิพพานเองวิมุตต์และพรนิพพานเป็นผลจากการที่รู้แล้วไม่เข้าไปพอใจรู้แล้วไม่พอใจไม่เข้าไปอยากหรือไม่อยากอย่างไรถ้ารู้ว่าเกิดความอยากเกิดความพอใจความไม่พอใจอย่างใดๆรู้ตัวแล้วก็ละเสียไม่ใช่ไปละอาการไม่เป็นใช่ว่าไปดิดลุนผักใสทําให้อาการหายไปทําให้อาการที่ไม่ถูกใจหายไปโดยคิดว่า ถ้าเราพยายามทําให้อาการที่ไม่ถูกใจทังใจหายไปหมดแล้วเราจะบรรลุพระนิพพานใจจะว่างเปล่าอย่างเดียวแล้วจะบรรลุพระนิพพานว่าใจที่ว่างจากอาการทั้งหมดนั้นแหนเป็นธรรมถ้าเราเข้าใจอย่างนี้เป็นความเข้าใจผิดมหาหันแล้วปฏิบัติอย่างไงเราก็จะดิ้นลนผักใสอาการเหล่านั้นเพื่อจะทําให้อาการเหล่านั้นหายไปหมดเราจะได้ใจว่างเปล่าและได้จะบรรลุพระนิพพานปุ๊บพระพุทธเจ้าครูบาอาจารย์ทั้งหลายไม่ได้สอนอย่างนั้นเราคิดเราเองหมดเราคิดเราเองว่าต้องเป็นเช่นนั้น แต่ท่านได้กล่าวว่าจะดีไม่ดีจะถูกใจไม่ถูกใจจะว่างไม่ว่างใจเราเข้าไปรับรู้อยู่เปล่าเปล่ารับรู้อยู่เปล่าเปล่าสักแต่ว่ารู้นั่นคือพระนิพพานไม่ใช่ว่าว่างจากอาการว่างจากความคิดปรุงแต่งใดๆว่างจากอาการใดๆทั้งหมดไม่มีความคิดใดๆเลยไม่มีอารมณ์อะไรเลยไม่มีอาการใดๆเลยรู้สึกว่างไปหมดสว่างไปหมดนั่นคือพระนิพพานความแน่นคืออือดความทึบอะไรไม่ใช่พระนิพพาน ความแน่นความอึดอัดความทึบซึ่งเป็นทุกขเวทนาความว่างเปลา่าเบาสบายซึ่งเป็นสุขเวทนาเขาก็เป็นอยู่กันสลับไปสลับมาสลับต่อเปลี่ยนเหมือนเปลี่ยนหน้าเพราะว่าเขาเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตารู้สักแต่ว่ารู้เท่านั้นแหละจึงจะเป็นพันิพานดังพุทธพจนิตพานว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายผู้ใดก็ตามมาเห็นสักแต่ว่าเห็นได้ยินสักแต่ว่าได้ยินรู้สักแต่ว่ารู้ ใจของผู้นั้นจะว่างเปล่าจากความยึดมั่นถือมั่นว่างเปล่าจากกิเลสตัณหนาอุปาทานปลอดโปร่งแจ่มใสเบิกบานอยู่ตลอดเวลานี่เป็นพุทธพจน์ที่สั้นที่สุดและได้ใจความที่สุดเพราะพุทธองค์ไม่เคยตัดเลยว่าผู้ใดก็ตามถะว่างเปล่าจากอาการว่างเปล่าจากความคิดใดๆใจสบายที่สุดตลอดเวลานั่นแหละคือปณิพานพระพุทธองค์ไม่เคยตัดอย่างนี้เลย ท่านแต่เพียงตัดแต่เพียงว่ารู้สัก์แต่ว่ารับรู้เท่า น, นั้นแน่นั่นแน่เป็นวีมุตเป็นพนันิพานเหมือนลุงปูทาได้สอนว่าถ้าเรารู้สิ่งใดแล้วเราเข้าไปยึดติดยึดถือสิ่งใดเข้าไปพอใจไม่พอใจเข้าไปอยากหรือไม่อยากอ ย, ากอย่างไรมันก็เหมือนกับหักก้านบัวหรือก้านกล้วยสดๆหักแล้วก็เป็นใ่ยืดออก ติดกันเหมือนใหญ่มีเยื่อใ่ต่อกันเยื่อใยต่อสิ่งที่เข้าไปรับรู้ทางตาทางหูทางจมกูกทางลิ้นทางกายทางใจแต่ถ้ารู้อะไรแล้วทางตาหูจมกูกลิ้นกายใจในขณะปัจจุบันนั้นๆแล้วไม่เข้าไปยึดติดยึดถือเข้าไปพอใจไม่พอใจไม่เข้าไปยินดีเข้าไปยิน้ายสิ่งใดๆเลยในขณะปัจจุบันนั้นๆ ก็จะเป็นวิมุตติโดยอัตโนมัติเป็นขึ้นมาเองโดยอัตโนมัติเป็นวิมุตต์ขึ้นมาเองโดยอัตโนมัติก็จะเหมือนกับหักก้านกล้วยหรือก้านบัวที่แห้งๆหักโปะขาดสะบันออกจากกันไม่มีใยต่อกันไม่มีเยื่อใยต่อกันรับรู้สักแต่ว่ารับรู้ไม่เข้าไปดิ้นรนแสวงหาความถูกความผิดไม่เข้าไปดิ้นรนแสวงหาความถูกใจความไม่ถูกใจ ไม่เข้าไปดิดน้นรนคนหาว่าทําไมไม่เป็นอย่างนี้ทําไมจึงเป็นอย่างนี้ทําไมจึงเป็นอย่างนี้ทําไมจึงไม่เป็นอย่างนี้ไม่มีทําไมทําไมทําไมทําไมเพราะพานิพานที่ท่านกล่าวว่าพานิพานนอกเหตุเหนือผลไม่อาจใช้เหตุผลใดๆเข้าไปถึงมันได้หลวงปู่ดูนยตุโลได้กล่าวว่าลองเริ่มใช้เหตุผลกับมันสักนิดเดียวมันก็ตกไปเป็นโลกทันทีเพราะมันเป็นการเกิดขึ้น ตั้งอยู่ดับไปสิ่งใดถ้ามันเริ่มต้นก็เพิ่มขึ้นมาไหวตัวขึ้นมาปรากฏขึ้นมาก็เพิ่มขึ้นมาสิ่งนั้นก็เป็นโลกเสียทั้งสิน้นไม่ใช่เป็นพันิพานสิ่งใดที่นํามาบอกเขาได้เอามาเล่าก็ได้บอกอาการเหล่านั้นให้คนอื่นฟังได้เช่นฉันว่างเปล่าไปหมดฉันสว่างไปหมดเลยฉัน เ, เ, เนบาไปหมดเลยทั้งตัวสิ่งนั้นก็ไม่ใช่พั น, นิพานสิ่งนั้นเป็นโลกเ พ, เพราะนําอาการเหล่านั้นมาเล่าบอกคนอื่นได้ แสดงว่าอาการเหล่านั้นต้องถูกรับรู้ด้วยอัจฉริยะสิ่งใดสิ่งหนึ่งทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเมื่อรับรู้ได้จึงนํามาบอกคนอื่นเขาได้ดังนั้นทำนั้นจึงเป็นปัจจตังรู้ได้เฉพาะตนนี่คํานี้มันชัดเจนอยู่แล้วว่ารู้ได้เฉพาะตนไม่รู้จะมาบอกคนอื่นได้อย่างไรแต่รู้ได้เฉพาะตนตั้งเขฟังให้ดี ในหลับตามคาสอนเราตั้งใจฟังสิ่งใดก็ตามที่ปรากฏขึ้นมาให้รับรู้ได้ทาตาหูจมูกลิ้นกายใจเมื่อรับรู้ได้แล้วต้องละไปเสียให้หมดสิ้นวางไปเสียให้หมดสิ้นสิ่งเหล่านั้นเป็นโลกสิ่งเหล่านั้นเป็นสังขารอย่าเข้าไปแตะต้องสังขารทั้งหลายต้องปล่อยวางไปสังขารทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงสังขารทั้งหลายไม่อาจไปยึดมั่นถือมั่นให้เป็นไปอย่างที่เราต้องการได้ เราจะไปเลือกเอาไม่ได้ว่าทําไมจึงเป็นอย่างนี้ทําไมจึงไม่เป็นอย่างนั้นทําไมมันไม่ถูกทั้งหมดทําไมมันผิดบ้างไม่อาจจะเลือกได้เพราะถ้าเราถูกหมดทันทีก็เป็นพระนิพพานทันทีไม่มีใครบอกให้เราถูกหมดได้เพราะถ้าถูกหมดเป็นพระนิพพานทันทีจึงไม่สามารถตอบให้ถูกได้ทั้งหมดไม่มีใครที่เดินทางถูกหมดเพราะถ้าเดินทางถูกหมดเขาผู่นั้นเป็นพระนิพพานทันทีที่เราเดินอยู่ทุกวันนี้มันย <agna nein> <hi> ังผ <ible> ิดอยู cave, <iyoruz> ่ <places. S 1> แต่เพราะว่ามันยังผิดอยู่สิมันจึงไม่ไม่พบพระนิพพานแต่อย่าไปหาแล้วว่าอะไรมันผิดอะไรมันถูกมันหาไม่ได้โดยการคิดไปเพราะฉะนั้นท่านไม่อาจจะมาถามผมหรือถามครูบาอาจารย์ตะเวนไปถามครูบาอาจารย์ใดๆทั้งหมดว่าแล้วทําไมมันจิตทํำยังไงให้ถูกหมดไม่มีผิดไม่มีใครตอบได้เพราะพระนิพพานไม่อาจได้เกิดจากการที่ท่านไปถามแล้วรู้คําตอบแล้วเป็นพระนิพพานเพราะพระนิพพานนั้นไม่อาจได้จากคําตอบ แต่ได้จากที่ใจของท่านที่การยึดถือสบายก็ไม่ยึดถือก็สักแต่ว่ารอบรู้ระวางไปไม่สบายก็ไม่ยึดถือสักแต่ว่ารอบรู้ระวางไปอย่าไปแสวงหาความสบายอย่าไปแสวงหาความว่างเปล่าอย่าไปแสวงหาความถูกใจอย่าไปแสวงหาอาการที่ถูกใจอย่าไปแสวงหาความถูกต้องเพราะ ท่านไม่เจอความถูกต้องหรอกเพราะถ้าท่านเจอความถูกต้องทั้งหมดเนี่ยต้องเจอขึ้นในใจของท่านเองไม่ได้เกิดจากครูบาอาจารย์เป็นผู้บอกต้องเกิดจากใจของท่านรู้ขึ้นมาเองจากใจอาจารย์ที่แท้จริงคือสิ่งที่ความรู้ที่เกิดขึ้นมาจากใจของท่านนั่นคืออาจารย์ที่แท้จริงผมหรือหลวงปู่ทาหรือพระพุทธเจ้าท่านได้กล่าวเลยว่าท่านเป็นเพียงผู้ชี้ทางบอกทางอยู่ตรงทางสามแยกหรือทาง ห้าแยกแต่ขณะที่ไปถึงปฏิพานใจของท่านต้องเป็นเองพบเองถึงเองคือรู้อะไรแล้วละไปรู้อะไรแล้วละไปรู้อะไรแล้วละไปเสียละไปเสียละไปเสียละไปเสียให้หมดสิ้นดีก็ละไปชั่วก็ละไปสว่างที่สุดก็ละไปเบาที่สุดก็ละไปว่างที่สุดก็ละไปถูกที่สุดก็ต้องละไปใช่ที่สุดเลยตรงนี้ก็ใช่เลยใช่ที่สุดก็ต้องละไปตรงนี้ไม่ใช่เลยไม่ใช่ก็ต้องละไป ตรงนี้รู้แล้วรู้แล้วโอ้โหรู้มากเลยรู้มากเลยรู้แล้วก็ละไปโอ้โหตัวยังไม่รู้เลยทําไมยังไม่รู้เหมือนคนอื่นยังไม่รู้ก็ต้องละไปละทั้งที่รู้ละและทั้งที่ยังไม่รู้ทําไมต้องละทั้งที่ยังไม่รู้ก็เพราะว่าไอ้ที่ยังไม่รู้ขืนที่ลนค้นหามันก็เป็นโลกทันทีพรเริ่มต้นค้นหาปุ๊บเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นทันทีเป็นสิ่งที่ปรากฏทันทีคือปรากฏการค้นหาปรากฏการกระเพื่อมสิ่งใดปรากฏตัวขึ้นมาสิ่งนั้นเป็นโลกทันที โรคจึงไม่เคยทำพอดิ้นเริ่มดิ้นเริ่มค้มนหาก็เป็นโลกทันทีรับรู้แล้วปล่อยวางไปรับรู้แล้วปล่อยวางไปทันทีรับรู้แล้วปล่อยวางวทันทีแต่คนฟังนะตอนอย่างนี้ก็ยังไปเข้าใจผิดอีกรับรู้แล้วดิน้นรนผักใส่อาการทันทีเพื่อจะทําให้อาการหายไปทันทีรับรู้ดิน้นรนผักใส่อาการทันทีเป็นปีติก็รีบผักใสปิ ต, ปติบอกว่าอาจารย์บอกว่าให้ผักใส่ทันทีพอเป็นสุขก็รีบผัดใส่สุขทันทีเพราะ บอกว่าทุกอย่างต้องรีบทันทีต้องรีบผักใส่ทันทีเดี๋ยวติดกลัวจะติดสุขกลัวจะติดปิติต้องรีบผักใสปิติรีบผักไสสุขทันทีฟังอย่างก็เข้าใจไปอีกคายเคลื่อนไปอีกอย่างหนึ่งรู้แล้วละทันทีรู้แล้วละทันทีหลวงปู่ทาได้สอนว่ารู้ให้เร็วละให้เร็วรู้ให้เร็วละให้เร็วรู้ให้เร็วรู้เท่าทันให้เร็วว่าติดโลกแล้วแล้วละเสียติดโลกแล้วละเสีย ละที่ติดละที่ความยินดีละที่ความยินร้ายละที่ความพอใจละที่ความไม่พอใจไม่ใช่ไปละที่อาการไม่ใช่ไปทําลายอาการไม่ใช่ไปดิ้นลำปักสายอาการละความเข้าไปพอใจละความไม่พอใจหลวงปู่เนี่ยทายกันแน่นอึดอัดมากสังขารของท่านมันไม่ย่อยแก่กระยอะในกระเออะพาะลําไส้ทําแน่อนอดึดอัดไม่สบายตัวเลยแล้วก็พอลุกนั่งหน่อยเวียนทิศขึ้นไส้าอาเจียนโอ๊ะโอโอ๊ไม่สบายเลยแต่ทํามไม่สบายเลยนั้นเป็นผ้าละหันไหมเป็น ไม่สบายเลยแต่เป็นพระหรหันธ์ท่านฟังให้ดีและดูให้ดีประจักษ์พยานมีอยู่เนี่ยถ้าไปหารหลวงปู่ทาลูกนั่งไม่ได้ลูกนั่งแล้วเวียนทีรษะอาเจียนทันทีเออเอเ อ, เอแน่นอึดอัดไปหมดแต่ถามว่าแน่นอึดอัดนั่นเป็นพระหรหันธ์ไหมเป็นพระหรหันธ์เป็นทําไมจึงเป็นพระหรหันธ์ใครก็ขานก็ไปถามว่าทำไมจึงเป็นอย่างนี้ทำไมจึงเป็นอาการอย่างนี้ทําไมอาการนี้จึงจะหายไปท่านก็ท่านก็เป็นอย่าไปยุ่งกับมันท่านเป็นมากกว่าอีก เราบอกอะไรทุกอย่างท่านเป็นหมดเป็นยิ่งกว่าเราอีกแล้วก็ถามหลวงปู่ว่าหลวงปู่เป็นขนาดนี้ทําไมหลวงปู่ไม่อธิษฐานจิตรักษาตัวเองแก้ไขตัวเองหลวงปู่สามารถทำได้เองอนะเนี่ยผมดูแล้วเนี่ยหลวงปู่เป็นมากกว่าผมอีกอะแน่นอึดอัดทรมานยิ่กว่าผมหลายเท่านักอ้าวทำไมหลวงปู่ไม่เลือกษาอิศารักษาตัวเองอะ่ะอุปปช า, าบอกว่าให้อดทนอดทน ฟังแล้วแทบจะน้ําตาไหลเลยหลวงปู่อายุตั้งเก้าสิบแปดจะพอร้ออยู่แล้วอุปปชาท่านหลวงปู่มียานมุนีมรณภาพาไปตั้งนานแล้วครูบาอาจารย์สั่งไว้อย่างไงท่านแม้แต่จะช่วยเหลือตัวเองได้อุปปชาสั่งว่าอดทนอดทนท่านก็อดทนอย่างเดียวยังจําคําบูชาเสมอว่าหลวงปู่ทาไมไม่รักษาตัวเองอุปปชา สังไว้ว่าให้อดทนอดทนแล้วเราเรามาดูตัวพวกเรามาดูพวกเราว่าเป็นไงเป็นนิดๆหน่อยๆนะเราก็โวยวายตีโพยตีพายของขึ้นออกอาการอารมณ์ขึ้นเราก็ไม่ได้กระเพืเลยของผมเลยผมไม่ได้กระเพื่อของหลวงปู่ท่านมาเป็นนะไม่ได้กระเี่อของผมเลย เป็นจนแย่มากๆเลยอดทนกอดทนจนรอดมาได้ตลอดเราฟังม า, มาสอนท่านกูบาอาจารย์ท่านก็สอนได้อดทนให้ท่านอดทนเราจะเอาแต่ถูกใจไม่ได้ไม่มีที่จะถูกใจไม่ไม่มีที่จะว่างที่จะเบาที่จะสบายการปฏิบัติที่จะสบายที่ว่าง ท, ที่จะหาความสบายไม่มีท่าสบายปฏิบัติหาความสบายพ้นทุกข์ไม่ได้ไม่มีทางไม่มีทาง มีแต่ใจเท่า น, นั้นสิ้นกันยึดติดยึดถือยิ่งไม่สบายยิ่งดีที่ใครเป็นเมื่อวานนี้ที่บอกว่าไม่สบายแย้มากๆเลยนั่นแหละโอกาสทองโอกาสทองครูบาอาจารย์ทั้งหลายเมื่อท่านเจ็บป่วยเนี่ยหนักหักหนักหนาสาหัสหลวงปู่สมัยทีคายุโกท่านเจ็บป่วยมากมีอาการเวทนาอย่างแรงกล้าหลวงปู่ฟัานถือไม่เท้าเดินมาท่านดีใจมากเลยอาจารย์เดินมา เดี๋ยวหลวงปู่ฟ้นจะต้องมาช่วยเราหลวงปู่ฟ้นเดินมามองแล้วก็พูดว่าโอกาสทองโอกาสทองตรงนี้ละโอกาสทองเอาให้ดีเลยเอาให้ดีโอกาสทองเอาให้ดีนี่ละความก็ไปยินดีได้ละความก็ไปยินร้ายได้ตายเป็นตายยอมตายไปกับอาการเหล่านี้แต่ใจอ่ะบริสุทธิ์ผุดผ่องตลอดคือ ไม่เข้าไปยินดีไม่เข้าไปยินร้ายไม่เข้าไปอยากให้มันหายหรือไม่หายอย่างไรใด น, นั่นแหละก็จะบรรลุพระนิพพานเดี๋ยวนั้นขณะนั้นท่าสภาพที่มันสบายสบายดีๆมันก็ไม่เป็นนะใจก็ไม่เป็นมันก็ไม่รู้จะไปละอะไรพรามสบายอยู่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายจิตใจท่านเข้มแข็งจริงๆ จ, จิตใจท่านเข้มแข็งท่านต่อสู้กับมันด้วยความอดทนอดกลั้นง่วงนักหลวงปู่ตื้ออจารย์ธรรมโมแก้ยังไงก็ไม่หายนั่งมาที่หน้าผาเลย อธิฐานจิตว่าเราจะไม่ลุกไปจากหน้าผานี้ถ้ามันง่วงอีกก้อย ห, หัวมันทิ่มตกหน้าผาไปตายไปเลยคืนนี้จิตมันอยากขี้ง่วงให้มันพาตกไปตายทั้งกายและจิตตกมันไปตายเลยตกหน้าผาไปตายเราจะไม่ลุกไปจากหน้าผานี้แล้วท่านก็สําเร็จอรหานบนหน้าผานั่นเองจิตใจท่านเด็ดเดี่ยวเหมือนหลวงปู่เจยท่านว่าเป็นพระบิณฑบาตมามันอนฉันข้าวเขาเป่า วันวนหนึ่งกินแล้วไปะนอนกินแล้วไปะนอนวันหนึ่งเห็นคนที่เขายากลําบากเขามีความทุกข์ยากมีความยากจนเขายังเอาอาหารเนี่ยที่ไม่มีอะไรกร็พยายามที่จะข้อเหนียวมาใส่บาตรท่านเพื่อต้องการบุญจักท่านแต่ท่านกลับมานอนกินข้าวเขาแ ล, ล้วก็มานอนไม่มีบุญอะไรจะให้เขาเลยท่านวันหนึ่งปีสามลุกขึ้นมาจุดธูปที่พระประธานในโบสถ์ด่าตัวเองเลยว่า ตาตัวเองมึงกินข้าวเขามึงเอาแต่นอนไม่ได้ทําอะไรให้ให้เขาตอบแทนบุญคุณเขาเลยกินข้าวเขาแล้วก็นอนตอนนี้ถ้ามึงนอนอีกภายในสามเดือนนี้ถ้ามึงนอนอีกเมื่อไหร่ขอให้ฟ้าผ่าตายขอให้ธรณีสูบขอให้ไฟไหม้ขอให้น้ำท่วมตายตั้งจิตอธิษฐานเสร็จ แล้วก็ทําความเพียรไม่นอนตลอดสามเดือนท่านก็บรรลุพระนิพพานไปนี่ครูบาอาจารย์ทุกท่านท่านไม่ได้เยหยาะเยาะแยแยท่านเอาจริงเอาจังทุกอย่างอดทนที่จะรู้มันอยู่เปล่าเปล่ารู้เป่าเปล่านั่นแหละคือพระนิพพานท่านอดทนที่จะรู้มันอยู่ปเปล่าเปลจะไปอะไรเป็นกัน จะแตกร่างกายจะแตกมันจะระเบิดมันทำลายดูซิว่ามันจะตายต่อหน้าต่อตาครัอ้ากูจะรู้มันอยู่เปล่าๆอย่างเนี้ยจะตายก็ตายก็รู้มันรู้มันได้วยความอดทนเหมือนกันรู้มันกูจะได้รู้ว่ามันจะรู้เปล่าๆได้ไหมมันจะรู้สักแต่ว่ารู้ได้ไหมเอกขณะที่มันเกิดเวทนาเกิดอาการเกิดความไม่สบายต่างๆก็มันเป็นอย่างนี้ก็ดีก็จะได้ดูรู้เห็นว่าใจมันเนี่ยมันเข้าไปยึดติดยึดถือไม่รู้จะปล่อยวาง เราก็ได้ร er ู้ความจริงรู Bunny ้ความจริงจากใจมีความเป็นอยู่ในชีวิตประจําวันเท่าที่ผมสังเกตดูพระพุทธองค์ตัดว่าเห็นสักแต่ว่าเห็นเราก็ไม่ได้สังเกตดูเลยว่าเราเห็นสักแต่ว่าเห็นหรือเปล่าได้ยินสัพแต่ว่ายินเราก็ไม่ได้สังเกตกันเลยว่ามันได้ยินสักแต่ว่าได้ยินหรือเปล่าหรือมันมีมีอะไรต่อจากได้ยิน เช่นมันมีความคิดปรงแต่งต่อจากทิ่ตาเห็นมีความคิดปรงแต่งต่อจากที่หูได้ยินเสียงมีความก็ไปพอใจก็ไปไม่พอใจก็ unified, ไปยินดีก็ไปยิน้ายต้องรู้ตัวรู้เท่าทันให้เร็วละให้เหร็ ว, ร, ว, ว, ว, วมมรู้ตัวให้เร็วละให้เร็วรู้ตัวรู้เท่าทันความยินดีความยินไายความพอใจก็ไม่พอใจรู้ตัวให้เร็วรู้เท่าทันให้เร็วเละความพอใจความไม่พอใจเสียให้เร็วๆแล้วก็สักแต่ว่ารับรู้อยู่เปล่าๆ ไม่ใช่ศักด์แต่ว่ารับรู้ความพอใจความไม่พอใจอยู่เป่าเปลรับรู้สิ่งที่อายตนะกระทบอยู่เป่าๆล่ารับรู้รูปอยู่เป่าเป่ารับรู้หูอยู่เป่าเป่ารับรู้ทางเสียงอยู่เปล่าเป่ารับรู้กลิ่นอยู่เป่าเปารับรู้รสอยู่เปล่าเปล่ารับรู้ความรู้สึกความนึกความคิดต่างๆอยู่เป่าเปรับรู้สิ่งที่มันเกิดขึ้นมาให้รับรู้ในปัจจุบันนั้นรู้ศักแต่ว่าเรารู้ จริงใดที่เกิดขึ้นมาให้รู้ในปัจจุบันนั้นก็รู้สักแต่ว่ารับรู้จริงใดไม่รู้ในปัจจุบันนั้นนอย่าเข้าไปค้นหาว่าทําไมจริงไม่รู้ทำไมคนอื่นเขารู้แต่ทําไมเราไม่รู้เพราะสิ่งนั้นเราไม่ใช่เป็นสิ่งที่เรารับรู้ในปัจจุบันเขาท่านให้เรารู้และรับรู้สักแต่ว่ารับรู้สิ่งที่เรารับรู้ในปัจจุบันนั้นๆเราจะรับรู้อะไรก็ได้ในปัจจุบันนั้นทั้งตาทั้งหูจมูกลิ้นกายใจในปัจจุบันรับรู้อะไรรับรู้อะไรอย่างนั้นแล้วก็สัก รู้สับแต่ว่ารับรู้สิ่งที่รับรู้ได้ในปัจจุบันนั้นๆแต่ถ้าเรารับรู้สิ่งใดแล้วเราเข้าไปพอใจเราเข้าไปไม่พอใจเข้าไปยินดีเข้าไปยินร้ายเข้าไปอยากไม่อยากอย่างไรต่อสิ่งเหล่านั้นเราต้องรีบรู้ตัวรู้าทัศน์สลัดทิ้งทันทีสลัดความพอใจสลัดความไม่พอใจจะด้วยวิธีใดๆก็ได้ให้เร็วที่สุดเช่นรู้าทาัศนเปลี่ยนความสนใจไปเป็นอย่างอื่นหรือคิดในทางที่โปรงและปล่อยวางเช่นว่า จังก็เอะไรก็เกิดมันก็เกิดไปแล้วหรือว่าจะเกิดมันก็ต้องเกิดหรือวาจังันเพ้ออะไรม็แตกหักเสียหายไปทําลายไปแล้วอะไรก็ได้ขอให้เราหลุดออกจากความพอใจความไม่พอใจสิ่งนั้นๆในขณะปัจจุบันนั้นๆแต่ไม่ใช่ว่าไปสลัดรูปเสียงกลิ่นรสหรือทำอารมณ์คือความรู้สึกไม่คิดอารมณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนั้นๆที่ไม่ใช่ความพอใจความไม่พอใจไม่ใช่ความยินดีความยินไล่ไม่เคลืความอยากไม่อยาก สลัดทิ้งเฉพาะความพอใจความไม่พอใจความอยากไม่อยากหรือความยินดีหรือความยินร้ายแต่รูปรดกลิ่นเสียงสัมผัสหรือทำมารมนั้นสิ่งที่รับรู้ได้ทางอายตนะที่เกิดขึ้นมาให้รับรู้ตรงๆนั้นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมารับรู้ในปัจจุบันนั้นรับรู้สักแต่ว่ารับรู้สักแต่ว่ารับรู้แต่ถ้ารับรู้แล้วก็ไปพอใจเข้าไปไม่พอใจต้องสลัดความพอใจความไม่พอใจสลัดความยินดีสลัดความยินร้ายสลัดความอยากความไม่อยากทิ้งไปให้เหลียวที่จุดด้วยวิธีใดๆก็ได้ จะรู้ต่อทานเปลี่ยนความุั้งใจไปอื่นจะ ก, ก, กระพริบตาพลิกมือขยับตัวทําความรู้สึกตัวก็ได้ให้เร็วที่สุดหรือว่าจะใช้ความคิดในทางที่โปร่งปล่อยวางในทางที่เมตตาในทางที่คิดแล้วในทางที่ไม่เข้าไปยึดติดยึดถือสลัดรุดออกจากสิ่งนั้นได้ก็จะได้ทั้งหมดขอให้ละรู้ตัวให้เร็วละให้เร็วรู้ตัวให้เร็วละให้เร็วละความพอใจและความไม่พอใจละความยินดีะน ล, ละความยาินร้ายละความอยากวับไม่อยากให้เร็วไม่ใช่ว่า ไปสลัดอาการใดๆไปสลัดสิ่งที่ถูกรับรู้ซึ่งเป็นสิ่งที่รับรู้อย่างตาหูจมูกลิ้นกายใจรู้สักแต่ว่ารู้นั่นแหละคือพระนิพพานใจนั่นแหละคือรู้ใจนั่นแหละคือรู้รขณะที่ตารู้รูปต่างตาใจที่รู้รูปต่างตาก็คือการรู้รูปต่างตานขณะนั้นเนี่ยรู้ความรู้ที่รู้รูปต่างตาขณะนั้นเรียกว่าใจ ไม่ใช่ว่าพอตารู้รูปแล้วเข้ามาดูใจภายในตัวของตัวเองตรงนี้ฟังให้ดีนะตารู้รูปขณะที่ตารู้รูปนั่นแหละรู้นั่นแหละคือใจสติรู้อยู่ที่ใจดูอยู่ที่ใจเห็นอยู่ที่ใจกันหมดที่ใจเพียงหรือใจคือ ตาลูรูปแล้วก็รู้ว่ามันรู้เป่าเปล่าหรือไม่รู้เป่าเปลถ้ารู้แล้วเข้าไปยินดีรู้เข้าไปยินร้ายรู้เข้าไปพอใจไม่พอใจรู้ก็ไปอยากไม่อยากอย่างไรต้องสลัดหลุดออกจากความอยากความไม่อยากความยินดีความยินร้ายความพอใจไม่พอใจที่เกิดปิดขึ้นมาพร้อมกับการรับรู้ในขณะนั้นๆทันทีสลัดหลุดออกทันทีนั่นแหละเรียกว่าสติตั้งอยู่ที่ใจดูอยู่ที่ใจเห็นอยู่ที่ใจเพ่งอยู่ที่ใจพิจารณาในใจเพ่งอยู่ที่รู้เพราะใจนั่นแหละคือรู้ เมื่อรู้แล้วเมื่อใจคือรู้เมื่อใจรู้ทางตาขณะที่รู้รูปทางตาการรู้นั่นแหละคือใจรู้แล้วใจเนี่ยรู้อยู่เปล่าเปหรือไม่รู้อยู่เป่าเปก็รู้ทันทีรู้เท่าทันทันทีเพราะว่าสติมันตั้งอยู่ที่รู้ไม่ใช่ว่าตาเห็นรูปแล้วเข้ามาดูใจภายในภายในหน้าอกของตัวเอง เลยบอกว่าส ต, ติตั้งอยู่ที่ใจตาเห็นรูปแล้วก็เข้ามาดูในหน้าอกของตัวเองบอกว่าใจใจอยู่ที่ไหนใจอยู่ที่รู้ไม่ใช่ว่าใจอยู่ที่เนนหน้าอกเพราะตามไปเห็นรูปไปรู้รูปรู้รูป ร, รู้นั่นคือใจหูได้ยินเสียงก็คือรู้เสียงความรู้เสียงณนะขนาดนั้นเนี่ยเรียกว่าใจใจไปรู้เสียงขนาดนั้นรู้เสียงรู้อยู่ปล่าเปล่าหรือไม่รู้อยู่ ера, ป่าเปล่าก็รู้ท่าทันทันที ว่ารู้อยู่ปร่าเปล่าหรือไม่รู้อยู่ป่าเปล่าไม่ใช่ว่ารู้เสียงแล้วเข้ามาดูใจตัวเองในหน้าอกของตัวเองดูอะไรในต้นตระอกของตัวเองมันไม่มีอะไรมีแต่เนื้อมีแต่กระดูกมีแต่หัวใจใจมันไม่มันมีอยู่มันมีอยู่ที่ไหนในตัวตลอดเวลาใจมันไปรู้อะไรมันก็นั่นแคือใจรู้อะไรก็ใจอยู่ที่ น, นั่นรู้อะไรก็ใจอยู่ที่ น, นั่นรู้ทางจมูกได้กลิ่นทางจมูกใจมันก็ เกิดขึ้นในขณะที่รู้ทางจมูกนั้นรู้นั่นแหละรู้กลิ่นในจมูกรู้นั่นแหละคือใจรู้แล้วมันรู้อยู่เป่าเปล่าหรือไม่รู้อยู่เปล่าเก็รู้ก็รู้ทันทันทันทีว่ามันรู้อยู่เป่าเปลหรือไม่รู้อยู่เปล่าเปล่าถ้ามันรู้แล้วก็ไปยินดีเข้าไปยินร้ายเข้าไปพอใจไม่พอใจเข้าไปอยากไม่ไปอยากอย่างไรก็สลัดหลุดสลัดความอยากไม่อยากความพอใจไม่พอใจความยินดีความยินร้ายให้หลุดทันทีรู้ทางรถรู้ทางกายสัมผัสก็เหมือนกัน รู้อาการทางกายรู้อาการทางใจรู้ทางใจก็เหมือนกันรู้เวทนารู้สัญญารู้สังขารรู้อารมณ์ต่างๆเรียกว่าธรรมอารมณ์รู้ทางใจรู้ทางใจก็คือรู้ว่าขนาดนี้มันคิดอะไรขนาดนี้มันมีอารมณ์อะไรขนะนี้มันมีอาการอย่างไรมันสบายไม่สบายเรียกว่ารู้ทางใจเมื่อรู้ทางใจแล้วเนี่ยมันรู้แล้วมันสักแต่ว่ารู้หรือรู้แล้วไม่สักแต่ว่ารู้ รู้ทางใจอ่ะรู้นั่นน่คือใจไม่ใช่สิ่งที่ถูกรู้เป็นใจแต่ส่วนใหญ่เข้าใจผิดไม่เอารู้เนี่ยเป็นใจเอาใจที่สบายเป็นใจเอาใจที่ไม่สบายเป็นใจตรงนี้เนี่ยสำคัญมากที่สุดนะที่มันไม่พ้นทุกข์ไก็เพราะตรงนี้เนี่ยมันเอาความสบายเป็นใจ เอาความไม่สบายเป็นใจแล้วก็บอกว่าใจสบายใจไม่สบายขณะนี้ใจดีใจไม่ดีใจหรือจิตขณะนี้จิตดีขณะนี้นจิตไม่ดีแต่ไม่ได้เอารู้รู้นั่นแหละคือใจขณะนั้นเนี่ยรู้ว่าใจดีรู้นั่นแหละคือใจแต่ที่ใจดีเนี่ยไม่ใช่ใจ ใจดีเนี่ยแหละคือเวทนาถ้าใจดีคือถูกใจเรามันก็เป็นสุขเวทนาใจไม่ดีหรือจิตไม่ดีมันไม่ถูกใจเรามันก็เป็นทุกเวทนาถ้าถูกใจเรามันก็เป็นสุขเวทนาถ้าไม่ถูกใจเรามันก็เป็นทุกเวทนาตรงนี้ท่านตั้งใจฟังให้ดีทำความเข้าใจให้ดีๆเพราะท่านยังเข้าใจคลาดเคลือดอยู่มากใจดีหรือจิตดี ไม่ใช่ใจเป็นเวทนาไอ้ที่ว่าใจดีหรือจิตดีนั่นเนี่ยคือสุขเวทนาเพราะถูกใจไอ้ที่จิตไม่ดีหรือใจไม่ดีนั้นเป็นทุกขเวทนาเพราะไม่ถูกใจแต่ใจนี่เนี่ยคือการรับรู้เวทนาขณะนั้นเรียกว่าใจรู้แล้วมันรู้อยู่เป่าๆหรือเปล่าถ้ารู้อยู่เป่าเปลก็เรียกว่าใจบริสุทธิ์ พอรู้แล้วไม่รู้อยู่เป่าเป่ารู้แล้วมันหงุดหงิดลาคาลอาการเวทนานั้นมันดิลนผักใสมันอยากแหวงหาแต่ใจดีๆอย่างนั้นก็เรียกว่าใจไม่บริสุทธิ์ไม่เช่นนั้นปฏิบัติแล้วเนี่ยมันจะงุ่มันจะหงุดหงิดมากเลยว่าทําไมคนนั้นจิตดีทําไมเราจิตไม่ดีทําไมวันนี้มันจิตดีทําไมมันเมื่อวานมันจิตไม่ดีมันสู้จิตเมื่อวันดีเมื่อวานไม่ได้ทําไมเมื่อวานจิตมันดีกว่าวันนี้ทําไมวันนี้จิตมันไม่ดีหรือวันนี้จิตดีกว่าเมื่อวานจะเอาที่จิตดี คือปฏิบัติที่สุดแล้วทำไปจะมาไปเอาที่เวทนาไม่ได้เอาที่รู้เปล่าๆที่พุทธพจน์ทุทธองค์ได้ตัดไว้ว่าเห็นสักแต่ว่าเห็นก็คือรู้เปล่าๆนั่นเองได้ยินสักแต่ว่าได้ยินก็คือรู้เปล่าๆรู้สักแต่ว่ารู้ก็คือรู้เปล่าๆนั่นเองอ่ะรู้เปล่าๆนั่นแหละคือใจคือใจที่บริสุทธิ์คือใจที่เป็นพระนิพพานไม่ใช่จิตดีไม่ใช่ใจดีใจดีจิตดีไม่ใช่พระนิพพาน รู้เปล่าๆรู้จิตดีแล้วมีอะไรต่อจากรู้นันไหมต่อให้จิตดียังไรก็ตามถ้ารู้จิตดีแล้วมีอะไรต่อจากรู้คือยินดีหรือหรือพอใจหรือติด ใ, ใจยินดีอันนั้นก็ใจไม่บริสุทธิ์ต่อให้จิตดียังไรใจก็ไม่บริสุทธิ์เพราะใจบริสุทธิ์คือรู้ความที่จิตดีอยู่เปล่าๆจิตดีคือเวทนาใจดีคือเวทนา คือใจที่ถูกใจเราอาการที tense, ่ดีพอใจเราถูกใจเรา้เรียกว่าสุขเวทนาแต่อาการที่ไม่ถูกใจไม่พอใจเราเรียกว่าทุกขเวทนาสิ่งใดที่ถอด้าถูกใจต้องเป็นสุขสิ่งใดถ้าไม่ถูกใจเป็นทุกข์ความทุกข์กับความสุขอยู่ตรงความพอใจกับความไม่ถูกใจกับความไม่ถูกใจเพราะถูกใจเราจึงเป็นสุขไม่ถูกใจเราจึงเป็นทุกข์ไม่เช่นั้นก็ติดอยู่ตรงความถูกใจเรากับไม่ถูกใจเราแต่ไม่ได้ ฝึกให้รับรู้สักแต่ว่ารับรู้อยู่เปล่าๆผู้ใดพบใจพบใจแท้ๆใจที่รู้อยู่เปล่าๆผู้นั้นจะพบพานิพานใจที่รับรู้ใจที่รู้อยู่เปล่าๆนั่นแหละนั่นแหละคือพานิพานหรือใจที่เป็นกลางดังที่หลวงปู่เทศเทศลังศีวัินมากเปด้กล่าวว่าผู้ใดทําใจให้ถึงซึ่งความเป็นกลางได้ผู้นั้นจะพ้นจากทุกทั้งปวง คร้ใดทำใจให้ถึงซึ่งความเป็นกลางได้คือรู้อยู่เปล่าๆจักแต่ว่ารู้นั่นแนะจะพ้นจากทุกทั้งปวงไม่ได้ฝึกให้จิต ด, ดีไม่ได้ฝึกให้จิตเบาไม่ได้ฝึกจิให้จิตสว่างฝึกให้รู้อยู่เปล่าๆรับรู้อยู่เปล่าๆถ้ารู้แล้วรับรู้แล้วเกิดความยินดียินเกิดความพอใจจิตใจยินดีหรือเกิดความไม่พอใจเกิดความอยากไม่อยากอย่างไรสลัดความอยาก ความไม่อยากความพอใจความไม่พอใจสลัดทิ้งเสียเพราะพุทธเจ้าเพออาราะอรหันต์ทั้งหลายดับเพียงแค่2 อ, อย่างคือดับความพอใจหรือดับความไม่พอใจหรือดับความยินดีกับดับความยินร้ายเท่านั้นจึงสําเร็จเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือสําเร็จเป็นพระอหรหันต์ดังที่สมเร็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสเสด็จออกจากต้นโพ ค, ครั้งแรกปัญจวัคคีย์ทั้ง5จะไม่ต้อนรับ พราะเห็นว่าพระพุทธเจ้านั้นหันกลับมาจัดอาหารคงคิดว่าสิ้นความเพียรแล้วพอพุทธเจ้าเสด็จมาถึงทุกคนก็ลืมคําที่ตกลงกันไว้พาการต้อนรับสมเด็จพรสมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าได้ตัดขึ้นคําแรกว่าบัดนี้เราสําเร็จเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเพราะเราสิ้นแล้วซึ่งความพอใจและความไม่พอใจใดๆในโลก สิ้นแค่สองอย่างนี้เองสิ้นความพอใจสิ้นความไม่พอใจหรือสิ้นความยินดีกับสิ้นความยินลายจึงสำเร็จเป็นถึงพระพุทธเจ้าสำเร็จเป็นพระอาหารหันต์คือเห็นสักแต่ว่าเห็นหรือรู้ได้ยินสักพินรู้สักแต่ว่ารู้ใจของผู้นั้นจะว่างเปล่าจากความยึดมั่นถือมั่นปลอดโปร่งแจ่มใสเบิกบานอยู่ตลอดเวลานี่แน่คือพุทธพจน์อยู่แล้ว ตรงไปตรงมาที่สุดกันที่สุดหรือลุงพุทธาว่ารู้อยู่ซื่อๆรู้อยู่ซื่อๆให้รู้ตรงไปตรงมาใจดีก็สักแต่ว่ารู้ว่าใจดีใจไม่ดีก็สักแต่ว่ารู้ใจไม่ดีคนที่ดีก็สักแต่ว่ารู้คนที่ดีคนไม่ดีก็สักแต่ว่ารู้คนที่ไม่ดีอันไหนมันเป็นกุศลเป็นอารมณ์ที่เป็นกุศลก็สักแต่รู้ว่าเป็นอารมณ์ที่เป็นกุศลอันไหนอารมณ์ที่มันเป็นอกุศลก็สักแต่รู้ว่ามันเป็นอารมณ์ที่เป็นอกุศล ไม่ใช่ว่าเป็นอารมณ์ที่กุศลทั้งหมดแล้วเราก็บรรลุพระนิพพานโดยเข้าใจผิดว่าถ้ามันเป็นกุศลทั้งหมดมันไม่คิดอย่างนี้ไม่มีอารมณ์อย่างนี้จะเป็นพระนิพพานพระนิพพานท่านกล่าวไว้ชัดแล้วว่ารู้สักแต่ว่ารู้รู้สิ่งใดไม่เข้าไปยึดติดสิ่งนั้นไม่เข้าไปหมายมั่นสิ่งนั้นก็จะเป็นพระนิพพานรู้คือพระพุทธเจ้า รู้คือพระธรรมรู้คือปัญญาสงฆ์รู้คือความว่างเปล่ารู้คือความไม่มีตัวตนไม่มีรูปร่างไม่มีที่อยู่รู้คือความไม่มีอะไรเลยรู้นั้นคือความว่างเปล่าเช่นเดียวกับจักรวาลไม่มีขอบเขตไม่มีตัวตนไม่มีรูปร่างไม่มีที่อยู่มีแต่ชื่อสมมุติว่ารู้แต่ตัวตนของรู้ไม่มีตัวตนเลย เพราะรู้นั้นไม่เคยจับตัวตนได้ไม่เคยจับอาการได้ไม่เคยจับความรู้สึกได้ได้แต่รู้เขาอยู่เปล่าๆหรือคือความไม่มีมีแต่ชื่อแต่ไม่มีตัวก็คือความไม่มีนั่นเองรู้นั่นแหละคือความไม่มีเอาความไม่มีไปรู้สิ่งที่มีขึ้นในขณะปัจจุบันรู้สิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันรู้สิ่งที่ปรากฏขึ้นในปัจจุบันรู้สิ่งที่ไหวตัวขึ้นในปัจจุบันเช่น รู้สิ่งที่ปรากฏจิตปรากฏเป็นแว็บขึ้นมาคิดขึ้นมานึกขึ้นมาตึกขึ้นมามีอาการที่สบายมีอาการที่ไม่สบายรู้สึกอึดอัรู้สึกโปร่งโลกเบาสบายรู้สึกอึดดรู้สึกทึบรู้สึกตื้อรู้สึกแน่นรู้สึกบูบบวบบวรู้สึกร้อนร้อนเย็นเย็นรู้สึกอะไรก็ตามที่จับความรู้สึกได้ที่ที่รับรู้ได้ที่เคลื่อนไหวได้ที่เกิดดับได้ที่เปลี่ยนแปลงได้มารู้สิ่งเหล่านั้นทั้งหมดสิ่งที่ถูกรู้ไม่ใช่ผู้รู้เพราะ ผู้รู้คือความไม่มีมารู้สิ่งที่มีมารู้สิ่งที่ปรากฏรู้สิ่งที่เกิดดับรู้สิ่งที่เปลี่ยนแปลงให้เข้าถึงผู้รู้คือความไม่มีคือความว่างเปล่าคือความไม่มีอะไรมารู้สิ่งที่มีอยู่ตลอดเวลาเพราะสิ่งที่มีนั้นคือความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเกิดดับตลอดเวลาเป็นในจังทุกกงอนัตตาส่วนผู้รู้คือความไม่มีไม่มีตัวตนไม่มีรูปร่างไม่มีที่อยู่ไม่มีอะไรเลยมีแต่ชื่อสมมุติว่า รู้เท่านั้นเองมีแต่ความรู้มารู้สิ่งที่มีรู้สิ่งที่ปรากฏจึงไม่ต้องไปสแสวงหาผู้รู้ไม่สแสวงหาธรรมไม่สแสวงหาปิฎพานรู้นั่นแหละคือปปุ้ดรู้นั่นแหละคือธรรมรู้นั่นแหละคือภารยสงเมื่อรู้เป่าเปลบริสุทธิ์จริงๆก็เป็นหนึ่งเดียวกับปิพานพปิฎพานเป็นวิสังฐานไม่เกิดไม่ดับไม่มีการเปลี่ยนแปลง เป็นอสังกัดตัธรรมคือธรรมที่เป็นของที่เป็นเช่นนั้นอยู่ตลอดกาลแม้เราตายไปแล้วพระพุทธเจ้าพระประธามพระอาลหลั้งหลายตายไปแล้วพระนิพพานยังคงอยู่อย่างนั้นตลอดกาลวิธีที่จะไปถึงเหมือนกับเมืองพระนิพพานต้องไปโดย ว, วิธีรู้อยู่เปล่าเปล่าสักแต่ว่ารู้นั่นแนะจึงจะไปถึงพระนิพพานได้ คือท่านเปรียบว่าใจเปรียบผู้รู้หรือใจเปรียบเหมือนพระจันทร์มันเป็นสิบ้าค่ำหากรู้อยู่ปล่ปล่ารู้อะไรแล้วรู้อยู่ปล่เปล่าจักแต่ว่ารับรู้ก็จะไม่มีเมฆมาบังดวงจันทร์ใจก็ใสสะอาดบริสุทธิ์เป็นอย่างนั้นอยู่ตลอดการแต่ถ้ารู้อะไรเข้าไปติดสิ่งนั้นเขาไปยินดีเข้าไปยินไนล่เข้าไปพอใจเขาไม่ไม่พอใจเข้าไปหาเหตุหาผลหาถูกหาผิดหาความเข้าใจ สิ่งนั้นก็จะติดเข้าไปในผู้รู้ติดเข้าไปในใจก็จะทำให้มีมเมฆมาบังใจตนเองจันนั้นก็อับแสงไปหรือป่าป่าบริสุทธิ์แนนมีความผ่องใสสว่างสวายดุจพระจันทร์วันเป็นสิฟ้าคไม่มีอะไรบังมันอีกต่อไปถ้าผู้ใดรู้ป่าป่าบริสุทธิ์อยู่ได้จริงๆก็จะเป็นพระนิพพานซึ่งเป็นผู้รู้ผู้ตื่น ผู้เบิกบานตลอดการเป็นสังขตธรรมเป็นวิสังขารไม่เปลี่ยนแปลงอีกต่อไปดังนั้นทุกขณะปัจจุบันเรารอบรู้อะไรเราต้องตอบตัวเราเองได้มันรู้อยู่ปเปล่าเปล่ารู้ไม่สับแต่ว่ารู้อยู่ปเปล่าเปล่าถ้ามันเข้าไปแอบยินดีแอบยินไล่พอใจไม่พอใจหาเหตุหาผลต้องรู้ตัวรู้ตัทานลัทธะทิ้งไปเสีย รู้ตัวรู้เท่าันแล้วสลัดทิ้งไปเสียี่ใช่ว่าเราอยู่กันไปวันวันหนึ่งหลับรู้อะไรได้ยินอะไรหรือรู้อะไรทางใจแล้วไม่รู้เลยว่าตอบไม่ได้เลยว่าอันดับปัจจุบันนั้นน่ะมันรู้เปล่าเปลหรือไม่สอบตระรู้อยู่เปล่าเปล่ามันเข้าไปยินดีเข้าไปยินร้ายเขาพอใจหรือไม่พอใจมันไม่รู้อะไรเลยถ้าไม่รู้อะไรเลยอย่างนี้ก็เหมือนกับปนทุชนเหมือนชาวบ้านที่อยู่กันไปวันวันหนึ่งมันกับมาวัดก็มากินข้าวเฉยๆแล้วมาอาจจะเปลี่ยนที่นอนเฉย หรือที่ไม่ได้ตอบตัวเองได้ทุกขณะปัจจุบันว่ารับรู้ทางตาอยู่เปล่าเป่ารับรู้ท้งหูอยู่เปล่าเปลรับรู้ทางใจอยู่เปล่าเป่าหรือไม่เป่าเปลมันมีความยินดีนะมีความยินร้ายเมื่อม hmm. hey ันม uh, ีความยินดียินร้ายมีความพอใจไม่พอใจมีความอยากไม่อยากอย่างไรเราก็สลัดทิ้งนะเราก็รู้เท่าทันรู้ท่าทันสลัดทิ้งลงเสียสลัดทิ้งเสียสลัดความพอใจเพาะไม่พอใจยินดียินร้ายก็สลัดทิ้งเสียเราไม่ทําตามใจตนเองไม่ตามใจตามใจตนเอง เราก็เหลือแต่รู้เปล่ปาๆเลื่อยไปเลื่อยไปเลื่อยไปเลื่อยไปค่อยๆสลัดทิ้งไปค่อยๆสลัดทิ้งไปสลัดทิ้งไปทิ่งไหนยังละไม่ได้เดี๋ยวก็ปรากฏขึ้นมาเองเพราะว่าถ้ายังไม่พบพันิพารก็แสด ง, งว่ามันยังไม่รู้อยู่เปล่าๆถ้าเมื่อไหร่รู้อยู่เป่าๆได้ทั้งหมดจริงๆนะขณะจิตนั้นก็จะบรรลุพันิพานได้ทั้งหมดจริงๆขณะที่ยังไม่บรรลุพันิพาณัขณะจิตหนึ่งถ้าขณะจิตหนึ่งบรรลุพันิพานก็เป็นพันิพาณตลอดการไม่กลับไปกลับมาอีกเพราะพันิพานเท่านั้นเองที่เที่ยงนอกนั้นม่เททียงงั้หด แต่ขณะที่ยังไม่ บ, บรรลุปานิพาน์ในปัจจุบันนี้ก็แสดงว่ายังมีสิ่งใดที่ยึดถือไว้ยังมีสิ่งใดที่เป็นความอยากไม่อยากยังไม่สิ้นความอยากนั่นแน่จึงเป็นเหตุให้ไม่บรรลุปานิพานในปัจจุบันสิ่งสําคัญที่สุดของผู้ปฏิบัติในขณะจุดตายคืออยากจะบรรลุปานิพานธ์ในขณะปัจจุบันนี้ความอยากนั่นเองก็เป็นเมฆมาวางดวงจานทร์เสียทําให้ไม่บรรลุปานิพาน์เพราะยังมีอยาก ที่จะบรรลุปฏิพานท่านก็ว่าเป็นตัญหาตัวทุท้าที่ต้องปล่อยวางลงน่าจะชัดเจนหลวงปู่ทาว่าไม่มีอะไรอีกแล้วไม่มีอะไรจะต้องพูดตอนทีแนีต้องสอนอีกแล้วเดือแต่ความเพียรเท่านั้น ผมก็เชื่อว่าที่สอนอยู่นี้ท่านก็รับรู้ทั้งหมดเข้าใจทั้งหมดทราบได้ทั้งหมดโดยญาณของท่านโดยอำนาจของพระอรหันต์ท่านก็ว่าเรื่แต่ความเพียรการสอนก็สอนตรงไปตรงมาตามหลักทำคาสอนตามพุทธพจน์ตามที่ครูบาอาจารย์แนะมา แต่เท่าที่ผมสังเกตดูในขณะปัจจุบันทุกขณะปัจจุบันในแต่ละวันท่านถ้าอยู่กันมาหลายวันท่านไป่สามารถตอบตัวเองได้ในทุกขณะปัจจุบันว่าใขณะปัจจุบันนี้รู้อยู่ป่าเปล่าหรือว่าไม่รู้อยู่เป่าเปลก็คุยไปกินไปเพลินใจไปนั่งๆ่งนอนๆอนไม่สามารถตอบตัวเองได้ว่าในขณะปัจจุบันเนี่ยมันรับรู้ทางภายนอกรับรู้ทางภายในรับรู้ทางภายนอกก็คือรับรู้รูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสรับรู้ภายในก็คือรับรู้ ความรู้สึกนึกคิดอารมณ์มันรับรู้อยู่เปล่าๆสักแต่รับรู้หรือว่ามันรับรู้แล้วเข้าไปยินดีเข้าไปยินร้ายเข้าไปพอใจเข้าไปไม่พอใจเข้าไปอยากไม่อยากอย่างไรเดี๋ยวของท่านเนี่ยคือรับรู้อยู่ข้างในแล้วก็อยากให้มันไม่รับรู้อยู่ข้างในอยากให้มันรับรู้แต่ข้างนอกเราก็รู้ท่าทานว่าอันนี้เป็นความอยากนะไม่ใช่ว่าเรารู้ข้างในแล้วเนี่ยมันจะไม่เป็นพระนิพพานแต่ที่ทําให้มันไม่เป็นพระนิพพานคือรู้ข้างในแล้วอยากให้มันรู้อยู่แต่ข้างนอกไม่รู้ไม่ไม่อยากให้มันรู้อยู่แต่ข้างใน ความอยากไม่อยากนี้เป็นตันหาเป็นกิเลสตันหามันทำให้ไม่ไม่บรรลุพระนิพพานไม่ใช่การรู้อยู่ข้างในอย่างเดียวแล้วไม่เป็นพระนิพพานถ้ารู้อยู่ข้างในแล้วไม่มีความอยากไม่อยากอย่างไรมันก็เป็นพระนิพพานรู้อยู่ข้างนอกอย่างเดียวไม่มีความอยากไม่อยากไงมันก็เป็นพระนิพพานถ้ารู้อยู่ข้างนอกแล้วมันมีความอยากความไม่อยากความพอใจความไม่พอใจมันก็ไม่เป็นพระนิพพานรู้อยู่ข้างในอย่างเดียวยังมีความอยากหรือไม่อยากไรมันก็ไม่เป็นพระนิพพาน ไม่ใช่ว่าเร า, ารู้ข้างในแต่คนอื่นรู้ข้างนอกแล้วเราก็จะไปรู้ข้างนอกเหมือนคนอื่นโดยที่เราไม่ยอมรู้ข้างในไม่อยากรู้ข้างในเราจะขอจะอยากรู้แต่ข้างนอกมันรู้อะไรก็รู้อันนั้นรู้อะไรก็รู้อันนั้นสิ่งที่เราจะดับคือดับความอยากเหมือนเพื่อนเขาว่าทําไมเราจึงไม่เหมือนเพื่อนทําไมเขารู้แล้วทําไมเราไม่รู้ทําไมคนนั้นเขาจิตดีทําไม เราจิตไม่ดีสู้เข้าไม่ได้พระอาลายทั้งหลายเราปฏิบัติเพื่อเดินทางตามพระอาลัยพระลาหนาทั้งสิ้นการเปรียบเทียบในใจตนแล้วถ้ายังมีเปรียบเทียบอยู่ก็แสดงถึงความพอใจก็มไม่พอใจเราจะรู้ได้ยังไงว่าเรามีความพอใจความไม่พอใจแอบแฝงท่านกล่าวว่าให้ดูที่ความเปรียบเทียบถ้าให้สังเกตดูที่ความเปรียบเทียบถ้าเรายังมีความรู้สึกเปรียบเทียบ อยู่นั่นแหละแสดงว่าเรายังมีความพอใจความไม่พอใจเราจึงไม่บรรลุพระนิพพานเช่นเราเปรียบเทียบว่าทําไมเรารู้สู้คนนั้นไม่ได้ทําไมทําไมคนนั้นจึงเก่งกว่าทําไมคนนี้มาที่หลังจึงรู้มากกว่าจึงก็ใจมากกว่าถ้าตามใดยังมีกว่าแสดงว่าเรายัางมีความไม่พอใจแต่วันนี้เราดีใจมากเลยเรารู้มากกว่าคนนั้นก็ไม่ใช่บรรลุพระนิพพานอีกเพราะมีการเปรียบเทียบว่าเร า, า, ารเ il il female, ดีกว่าเราเหนือกว่าเราเก่งกว่า เรามาก่อนเขามาที่หลังมีมีก่อนมีหลังมีการเปรียบเทียบอยู่ตลอดเวลาหรือว่าเออวันนี้ดีที่คุณว่าวันนี้จิตไม่ดีสู้เมื่อวานไม่ได้อย่างเงี้ก็คือการเปรียบเทียบว่าวันนี้จิตดีสู้เมื่อวานไม่ได้หรือว่าเมื่อวานจิตดีกว่าวันนี้จิตดีกว่าเมื่อวานอะไรมีการเปรียบเทียบอย่างนี้พระหานทั้งหลายซึ่งการเปรียบเทียบแล้วในใจตนไม่มีการเปรียบเทียบ คือรู้อะไรก็รู้อันนั้นสักแต่ว่ารู้รู้อะไรก็รู้อันนั้นสักแต่ว่ารู้ในปัจจุบันนั้นนในปัจจุบันนั้นนไม่มีการเปรียบเทียบกับอดีตไม่มีการเปรียบเปรียบเทียบกับปัจจุบันหรืออนาคตไม่มีการเปรียบเทียบตัวเรากับคนอื่นสิ่งอื่นไม่มีการเปรียบเทียบเข้าไปหาในอดีตที่ผ่านมาว่าณขณะนี้จิตดีกว่าณะขณะเมื่อกี้นี้ไม่มีการเปรียบเทียบเพราะทั้งสิ้นเปรียบเทียบแล้วรู้อยู่ในปัจจุบันรู้อะไรในปัจจุบันนั่นก็รู้อยู่ในนนนปัััจจุบ้ๆ รู้แล้วก็สํารวจตรวจดูเสมอว่ารู้แล้วเข้าไปพอใจไม่พอใจรู้แล้วเข้าไปยินดีเข้าไปยินร้ายรู้เข้าไปยากหรือไม่อยากอย่างไรในปัจจุบันนั้นทุกขณะปัจจุบันรู้อันที่เป็นปัจจุบันนั้นนในปัจจุบันนั้นๆรู้อะไรก็รู้อันนั้นไม่ใช่ว่าในปัจจุบันนั้นนั้นเรายังไม่รู้เหมือนเพื่อนเพื่อนเขารู้แล้วเขารู้ไอ้นั่นรู้ไอ้นี่เราก็จะไปค้นให้เหมือนเพื่อนว่าทําไมเพื่อนก็เห็นนั่นก็เห็นนี่เขารู้นั่นรู้นี่เราไม่รู้นั่นรู้นี่เลยทําเราก็จะไปค้นให้เหมือย่างนั้น ในขณะปัจจุบันนั้นเราเห็นอะไรเรารู้อะไรก็คือรู้อันนั้นเราไม่ใช่ต้องไปเหมือนเพื่อนเพราะเพื่อนก็อาจจะเห็นความคิดเห็นอารมณ์เห็นอาการเห็นแสงเห็นสีแต่เราไม่เห็นอย่างเขาเราอาจจะเห็นอย่างอื่นร Soviet ู้อย่างอื่นในปัจจุบัน น, นั้นแต่ในปัจจุบันนั้นสาคัญอยู่ตรงที่ว่าในปัจจุบันนั้นเรารู้อะไร่ะเรารู้อะไรในขณะปัจจุบันทุกขณะปัจจุบันแล้วเราเข้าไปพอใจไม่พอใจเข้าไปยินดีเข้าไปยินร้ายเข้าไปอยากหรือไม่อยากอย่างไรหรือเปล่าอันนั้นต่างหากที่ทําให้บรรลุผลิพาน ไม่ใช่ว่าเราต้องไปเห็นอย่างเพื่อนรู้อย่างเพื่อนถึงจะบรรลุพระนิพพานเพราะเราจะปฏิบัติเราให้เป็นพระอรหันในปัจจุบันนี้เราจะต้องสิ้นการเปรียบเทียบรู้เท่าทันการเปรียบเทียบทุกครั้งรู้เท่าทันเอาตัวเราไปเปรียบเทียบกับคนอื่นเอาคนอื่นมาเปรียบเทียบกับตัวเราหรือรู้เท่าทันการเปรียบเทียบในใจตนว่าวันนี้ดีกว่าวันนี้อาการวันนี้ดีกว่าอย่างนี้หรือกันอย่างนี้ตู้อย่างนี้ไม่ได้หรือว่ามัวแต่ไปเล่นเห็นแสงเห็นสี เห็นอะไรต่างๆแล้วโมไปเล่นอยู่กับสิ่งเหล่านั้นว่าเป็นสิ่งประเสริฐว่าโอ้โหทำไมมันมีแสงระวางมากแล้วก็ชอบใจคงพอใจอะไ น, นั้นก็ไม่ใช่ทางเพราะไปรู้ภายนอกรู้กายรู้ใจตนเองรู้แล้วสักแต่ว่ารู้นั่นแหละคือพันิชยานที่สําคัญที่สุดเนี่ยมันเข้าใจผิดว่าใจมันอยู่ภายในตัวเองมันไม่เข้าใจว่าใจอยู่ตรงหน้าอ ก, อกใจอยู่ในหัวใจมันก็จะเพ่งกับประเด็นหน้าอกเขาเพ่งกับประเด็นหัวใจไม่ยอมเชื่อฟังว่าใจอ ย, อยู่ที่รู้ รู้อะไรในขณะนั้นเนี่ยคือใจรู้อยู่ที่คนก็คือใจใจอยู่ที่คนรู้อยู่ที่จัดใจก็อยู่ที่จัดรู้อยู่ที่ประจันีใจก็อยู่ที่ประจันไม่ใช่ประใยอยู่รู้ที่ไหนใจอยู่ที่นั่นไม่ใช่รู้อยู่รู้แล้วใจอยู่ในหน้าอกรู้อะไรแล้วมาเพ่งอยู่ในใจในหน้าอกรู้อะไรแล้วมาเพ่งอยู่ในใจนั้นอกอันนี้ไม่ใช่มันก็ยึดถือแล้วก็ใจผิดเป็นวิจฉาทิฏฐิบองที่เรามาเพ่งอยู่ในหน้าอกเราเรมาเพ่งความรู้สึกเพ่งเวทนาพอรู้อะไรแล้วมาทําให้ ให้ใจดีๆให้ทำความรู้สึกดีๆรู้อะไรแล้วทําความรู้สึกดีๆรู้อะไรแล้วทําให้ใจว่างๆรู้อะไรแล้วทําให้ใจว่างๆแต่มันทําให้คํารู้สึกว่างๆอันนั้นมันไม่ใช่ใจอันนั้นเป็นเวทนาทําให้เวทนามันความมีความรู้สึกว่างๆคือเป็นสุขเวทนารู้อะไรแล้วก็มันก็รู้แล้วก็ไม่ยึดถือในขณะที่รู้นั้นๆน่ะคือใจมันไม่ใช่รู้อะไรแล้วต้องย้อนกลับมาดูตัวเองอีกมาเพ่งในหน้าอกรู้อะไรแล้วมาเพ่งในหน้าอกต้องเทียบเคียงกันไปตลอดเวลา รู้อะไรก็รู้อันนั้นรู้อะไรก็รู้อันนั้นแล้วมันไม่ยึดก็ไม่ยึดตรงที่นั้นเลยเดี๋ยวนั้นเรียกว่าใจใจนั่นแหละคือรู้รนั่นแหละคือใจเป็นใจเดียวกับพระพุทธเป็นใจเดียวกับพระธรรมเป็นใจเดียวกับพระอรหันต์ทุกท่านบรรลุพระนิพพานแล้วเป็นใจอันเดียวกันใจนั่นแหละคือรู้รนั่นแหละคือใจไม่ใช่ไปเพง่งความรู้สึก อ, อัดเข้าไปที่ลิ้นปี่อัดเข้ไปที่หน้าอกอัดเข้าไว่าใจแล้วเพ่งว่านั่นคือใจ แล้วคนหาแต่ความรู้สึกที่ดีๆใจที่ดีๆใจที่วางเปล่ า, ไ ม, ม า, า, างงไม่มีอาการอย่างนั้นไม่มีอาการอย่างนี้จะต้องไม่คิดจะต้องไม่นึกจะต้องไม่มีความอึดอัดจะต้องไม่มีแน่นจะต้องไม่มีวงจะต้องไม่มีอย่างนั้นจะต้องไม่มีอย่างนี้อันนั้นไม่ใช่ใจทั้งหมดอันนั้นเป็นเวทนาทั้งหมดสิ่งที่ถูกที่จับความรู้สึกได้ทั้งหมดเป็นเวทนาทั้งหมดปฏิบัติไปคนสุดท้ายไปจับเอาเวทนาทั้งหมดสแสวงหาเวทนาทั้งหมด ที่บอกว่าจิตดีจิตไม่ดีรุนแต่เป็นเวญ น, น, น, นาทั้งสิน้นคําว่าจิตดีหมายถึงว่ารู้อะไรแล้วมีความยึดถือถึงนั้นน้อยลงไปเรื่อยๆนั่นเรียกว่าขนาดนั้นจิตดีไม่ใช่ว่าจิตดีคือเวทนาดีคือความรู้สึกคิดดีๆเราจะไปแปลผิดก็จะผิ ด, เ, ดเริ่มมีความยึดถือน้อยลงน้อยลงน้อยล ง, ลงนั่นแหละเรียกว่าจิตดีคือรู้เปล่าๆมากขึ้นเรื่อยๆนั่นเรียกว่าจิตดี ไมว่าไปทำความรู้สึกให้ดีๆให้มันว่างๆรู้อะไรแล้วพยายามเกี่ยใจยตัวเองให้ว่างๆรู้อะไรแล้วพยายามเกียจใจจิตตัวเองให้ว่างๆให้เบาๆอันนั้นมันยึดถือยึดเวทนาไม่ใช่รู้เป่าๆสัพแต่ว่ารู้แต่มันเพียงรู้ว่าแวบขึ้นมานิดเดียวนะค ะ, ะ เ, เราเกิดไปคิดว่าส่วนนี้มันเป็นเราคิดขึ้นมาหรือเปล่าก็รู้สองอันเลยนะ ค, <K S 1> คือรู้แวบนั้นแล้วก็ลาไปแล้วก็คิดต่อว่าเอ๊ะนี่มันคืออะไรก็รู้ความคิดนั้นอีกทีหนึ่งแล้วก็ลาไปอีกที มันเท่ากับรู้สองครั้งรู้แว บ, บหนึ่งแล้วก็รู้แล้วก็ละไปเสียแล้วก็คิดต่อว่าเอ๊ะนี่คืออะไรก็รู้ความคิดนั้นอีกแล้วก็ละไปไม่ต้องไปหาความเข้าใจหาเหตุหาผลหาถูกมาผิดหาชื่อมันพอต้อไปหาความเข้าใจหาเหตุหาผลมันก็เป็นตัวเป็นสังขารปรแต่งเป็นโลกอันใหม่อีกเป็นตัวใหม่อีกเราก็รู้สัตานอีกแล้วก็ละไปเสียอีกเราจึงจะพบรู้เปล่าๆจริงๆพบรู้ที่ไม่มีตัวตนจริงๆ จะรู้ตัวไหนละตัวนั้นก็เลยใช่ใช่ถูกต้องถูกต้องเราต้องละไปเรื่อยๆละไปเรื่อยๆแล้วลึกๆจะพบรู้เปล่าเปล่ารู้ที่เป็นความว่างเปล่ารู้ที่ไม่มีอะไรรู้มีตัวตนไม่มีรูปร่างไม่มีที่อยู่เองละไปก่อนละไปก่อนละไปก่อนตอนนี้ยังไม่เจอหรอกไอ้ผู้รู้เปล่าเปล่ายังไม่เจอแต่ละถึงที่ถูกรู้ได้รับรู้ได้ไปก่อนละไปเรื่อยๆละไปเรื่อยๆละไปเรื่อยๆละไปหมดรู้แล้วละไปรู้แล้วละไปรู้แล้วละไป มรละหมดสิทธิ์แล้วจิงจะเจอผู้รู้ที่ไม่มีตัวตนไม่มีรูปร่างไม่มีที่อยู่เองมันละทั้งความความคิดแล้วก็อาการด้วยใช่ไหมใช่ทั้งหมดเลยคือตัวไหนขึ้นมาเกิดขึ้นมาก็ละตัวนั้นใช่ละตัวที่ที่รับรู้ได้ในปัจจุบันทุกข์ะปัจจุบันคนอื่นมีอะไรสงสัยไหมทั้งสองอาการนี้มันก็ดับไม่ได้อยู่แล้วนะคะนอกจากละ ได้ดับความพอใจดับความไม่พอใจเฉยไม่เฉยไปดับอากอากมันไปดับอาการอะไรไม่ได้อยู่แล้วมันเป็นอาการทั้งความคิดและอาการทั้งอาการทางกายหรือความคิดทางจางมันมีอาการดับความพอใจดับความไม่พอใจเฉยไมันจะไปดับอาการอาการมันดับไม่ได้ความพอใจความไม่พอใจมันดับขาดได้แต่ความคิดและลมอาการต่างๆมันดับขาดไม่ได้แม้แต่โกรธเนี่ยนี่ดับขาดไม่ได้เลยแบบ มันมันขึ้นมาเองตามธรรมชาติของมันแต่ขึ้นมาแล้วมันก็จบไปเองมันเองกดเองดับเองไม่ใช่เราไปดับมันไม่ให้มีขึ้นตลอดกาลไม่ได้ดังที่มีพระถามหลวงปู่ดูนัตุโรว่าหลวงปู่ยังมีโกรธอยู่ไหมมีแต่ไม่เอานี่ชัดเจนมากเลยว่าไม่ใช่ไม่มีมีแต่ไม่เอาคือไม่เข้าไปพอใจไม่พอใจไม่โกรธขึ้นมาแหวบขึ้นมาก็เรื่องของมันแบบแล้วก็เรื่องของมันไม่เข้าไปพอใจไม่พอใจไม่ใช่ว่าปฏิบัติเราปฏิบัติเพื่อให้ไม่มีไม่ใช่ ไปดอย่างนี้ใช่ไหมครับใชดับตัวนั้นดับตัวที่ทําไมทําไมเอ๊ะทําไมถึงเกิดเอ๊ะทำไมเราจึงมีกว่าไม่พอใจได้เอ๊ะทาไมเราจะมีราคาอารมณ์ราคะอย่างนี้ได้ไปดับตัวนั้นดับตัวท uh ี่ว่าก็ไปยึดถือถือสาว่าเอ๊ะทาไมเราจึงคิดไม่ดีอย่างนี้เราจึงไม่มีอารมณ์ไม่ดีอย่างนี้ไอ้ตัวนี้ที่ทํำให้ไม่พ้นทุกข์คือมันมีก็มีชั้นเดียวแล้วก็มันก็ดับไปเอง เองในขณะจิตที่มันถึงแม้จะมีอะการที่เป็นผีจีบที่มาปุ๊บเดียวแต่เราไม่ได้เออะกับอาการเพาไม่พอใจหรือไม่พอใจเนี่ยสิงที่มันเกิดขึ้นมาแป๊บเนี้ยมันก็ผ่านเลยไปเนี้ยอย่างนี้เรียกว่ามันมันเกิดเองดับเองไปแล้วเราก็ไม่ต้องละอะไรแสดงว่าเรารู้ทันแล้วมันดับไปเองเรารู้แล้วมันดับไปเองคือความพอใจความไม่พอใจพอเรารู้แล้วมันดับไปเอง พอเรารู้ตัวแล้วมันดับไปเองอย่างนี้เราก็ไม่ต้องละอะไรเพราะมันละไปแล้วไอ้จารีมันจะเป็นของสภาวะไหมฮะคือดับไปเองโดยที่ว่าเรารู้ทันครับกต่ดับไปเองที่ว่ามันเป็นอาการของจิตเมื่อมันกระดับไปตามสภาวะมันอาการของจิตเนี่ยเนี่ยเราไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับมันคือถ้ามันมันเกิดขึ้นแล้วมันก็เกิดขึ้นมาเองมันหาไปเองแต่ถ้าเราเข้าไปพอใจไม่พอใจเนี่ยมันดับไปเพราะความที่เรารู้ตัวรู้เท่าทัน ไอตัวแรกที่เรารู้เท่ากันมันก็ดับใช่ไหมคะแต่ตัวที่เราไ ม, ม่รู้กันบางครั้งเนี่ยออาการ น, น, านี้แต่บางครั้งมันไม่รู้เออมันดับไปเมื่อไหร่ดับก็ไม่รู้แต่เราก็ไม่เป็นไรมันก็คือมันมันดับไปมันดับไปแล้วก็มันก็ปล่อยมันมันจะดับไปได้เหตุอะไรก็ตามคือมันมันมันเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับไปแล้วก็แล้วไปมันต่อไปค้นหาเหตุผลว่ามันดับไปด้วยมันดับมันดับไปอย่างไรมันต้องไปค้นหาเหตุผล หรือว่ามันดับไปเองหรือว่าตอาที่มันดับไปอะไรก็คือรุดออกจากมันได้แต่ความพอใจคอามพอใจมันดับไปแล้วคือแล้วไปที่ว่าบางทีปฏิบัติแล้วเกิดอัศจรินงนั้นเกิดอัศจริงเงี้ยอะไรเนี้ยพอตอนเช้าไปเล่าหลวงปู่ท่าฟาังพอเริ่ ม, พ อ, มพอเริ่มเห็นหน้าท่านยกมือละไปเสียไม่มีอัศจริ์เลยเพราะว่าไม่มีสิ่งที่ติดมากับจิตสิ่งใดเกิดแล้วดับแล้วแล้วไปหมด มันจะดับไปด้วยวิธีใดก็ตามแต่มันดับไปแล้วไม่ต้องไปนั่อีกไม่ต้องไปรื้อฟื้นอีกนั่นแหละต้องลาบไปอย่างนั้นนั่นคือธรรมชาติที่เราถ้าถ้าเกิดสภาวะแบนั้นมันคือธรรมชาติที่มันลาบไปดูอัตโนมัตินะมันจะลาบไปยังไงก็ได้ก่อนมันลาไปแล้วกันใชแ้วเนี่ยแต่ว่าเราต้องเท่าทันในก็คือถ้าเท่าทันสิ่งที่เราไปให้ค่าไม่พอใจไม่พอใจนั่ครับใช่แต่เราไม่ไม่ทําไม่เราไม่รู้ทัวทันถ้าเราให้ค่าความพอใจไม่พอใจมันไม่มันไม่ดับไปเองมันจะยืดยาวยาวนาน อืไปเดินก็อาศัยเทคนิคที่อาจารย์บอกฮว่าให้รู้ให้ให้ใ ห, ใ ห, ให้ให้มีผู้รู้อ่างอย่างอย่งยังผู้เจ้า เ, เจ้าหรื อ, อย่งปูธทามาดูเราดูความคิดตัวลรมดูความรู้สึกอ่าดูแล้วก็ดูอ่าดูว่าเราทําอะไรคิดอะไรอย่างนี้ฮะอาจารย์ก็ก็ ก, ก, ก็ก็ดูให้ให้ให้ให้ให้ใหใหดูอยู่อย่างนี้เฉย ก็ก็ปฏิบัติเดินนี้ไปก็บางครั้งก็บางครั้งก็อ่าเหมือนกับอ่รู้ไม่ทันมั่งก็หลงไปบ้างก็ก็ก็ก็ก็มีสติถึงถึงถึงนึกถึงพระพุทธเจ้าหรือหรือหรือหรือหลวงปู่ทาดูเราอยู่ว่าเอเราหลงไปก็ก็ก็กลับมาอยู่กับเดิมครับก็อยู่อย่างนี้ฮะวิธีนี้ดีกว่าวิธีที่เคยปฏิบัติมาไหมดีครับถาจรู้สึกวันแก้แก้ แก้ได้ทุกอย่างพี่อาการบอกครับครับมันจะแก้แช่ได้แก้อาจแก้ทึบแก้แก้เครียดแก้เครียดแก้พอใจพอใจจะแก้ได้หมดเดี๋ยวให้ผู้รู้ที่เป็นพุทธเจ้าพระธรรมพระอรหันต์ลุงปูทาหายไปก็กันครับให้มารู้เราไว้ตลอดเวลาจะได้มีความลายกระจความเกรงกลัวตบาะนีสิริอัตตาปาตลอดเวลาจังนี้ถือว่าเป็นการเตือนสตินะเป็นสตินี่เป็นสติตลอดเวลาจนจนมันมันมีบางครั้งอาจารย์มันละเอียดเหแบบว่าเอ๊ะเรา บางทีมันมันหลงไปในธรรมพุ้งไปในธรรมอาจารย์นแล้วเราเมื่อคิดว่าลุงปูทาดูอยู่ทั้วเราพุ้งก็กลับมาอยู่กับปัจจุบันก็คือนั้งแต่ไหนลุงปูนั่นเป็นสติก็ดีครับดีครับทํานี้ไปเรื่อยๆนะให้ต่อเนื่องตอนขากลับเดินมาเอ๊ะบางทีมันมันแบบมันอยู่ในช่วงมันพุ่งไปในธรรมพอพอพอพอเดินกลับมาโดยที่ไม่ได้คิดอะไรรูึกมัน มันมันมันแวบหนึ่งไม่คิดได้ว่าเลยทําถ้าทําถ้าถ้าไม่ติดอะไรเลยอะมันก็ไม่ทุกข์อะไรเลยมันก็มีอะไรเลยก็อย่างนี้ถูกต้องครับจะแก้แช่ได้ที่ติดความตังเลสงสัยคิดตึกอยู่ภายในได้ให้ผู้รู้เป็นผู้เจ้าผู้รู้ประธานผู้รู้เป็นพยาสงผู้รู้เป็นหลวงปู่ทามมาคอยรู้รู้กายรู้ใจรู้ความรู้สึกนึกคิดอารมณ์เราตลอดเวลา รู้ว่าตัวเราที่กาลังนั่งตึกนึกคิดปรุงแต่งอยู่ภายในที่หล่นค้นหาอยู่ภายในให้ท่านบรรลุเราแล้วเราก็อยู่กับผู้รู้นั้นอยู่กับพระพุทธธรรมพระสงฆ์อยู่กับหลวงปู่ท่าอยู่กับผู้รู้อยู่กับผู้รู้แล้วบรรลุตัวเรากําลังนั่งคิดตึกตองค้นหาอยู่ภายในเพราะเธอนั่งตึกคิดก้นหาภายในอยู่เองเธอ nang kith เองคิดเองทําเองเพลินเองแชร์เองจะวนอยู่ในเนี้ยในตัวของตัวเองตลอดเวลาออกมาไม่ได้ ถ้เอาหลวงปู่มาดูเราไว้แล้วเราก็อยู่กับหลวงปู่หายใจเราอยู่กับหลวงปู่แล้วมาดูตัวเองไว้ใจคือผู้รู้เนี่ยให้ไปอยู่กับหลวงปู่แล้วก็มาดูตัวเราเองไว้ดูว่าเราคิดอะไรกําลังแช่กำลังมีอาการยังไงที่หลนค้หาเองตรงนี้จะแก้ปัญหาได้ทั้งหมดในตัวเราในกายในใจเราแก้แช่ได้แก้ไอ้แก้ทึกแก้เครียดแก้ได้หมดแก้กิเลสตัณหาก็ยังได้เลยเพราะว่าแอบตึกนึกคิดปรุงไปในทามที่เป็นกิเลสตัณหาก็อายกับใจท่านอายกับท่าน พมีความรู้สึกว่าท่านนั่งจ้องมองตลอดเวลา ต, ตัวนี้จะทำให้บรลุพริพานเร็วจะทำให้แอบตึกไม่คิดปุงแต่งไปให้มีอารมณ์ต่างๆไม่ได้มีฮีดีอัตตะมันก็จะเกิดขึ้นในใจตนความเก่งกลัวตบ่าปลายแลอายแก่ใจมันก็จะแก้อารมณ์ทางจิตเราได้ถ้าเรามีความรู้สึกว่า เรอยู training, China, right? ่ต่อหน้าพระพุทธเจ้าอยู่ต่อหน้าพระธรรมอยู่ต่อหน้าพระอริยสงฆ์อยู่ต่อหน้าหลวงปู่ทายตลอดเวลาเแล้วเหมือนกับเรายู่นั่งอยู่ต่อหน้าท่านหรือท่านอยู่ต่อหน้าเราตลอดเวลาเนี่ยเราจะคิดจะพูดจะทําอะไรเราก็มีความรู้สึกมีฮิริอตตะปะมีความเกรงกลัวต่อบาปละอายแก่ใจละอายต่อท่านเราก็จะไม่คิดพูดทําไปตามอริยถากรรมไปตามเพลใจเราเราก็จะมีความมีความระมัดระวังตัวระวังระวังใจ มีความรู้สึกละอายต่อท่านละอายต่อพระพุทธเจ้าละอายพระธรรมต่ ล, าย ต, ลายต่อพระพิเสธสงลายต่อครูบาอาจารย์เราก็เป็นเป็นหนทางลับที่จะทําให้เร า, ารู้มากผลนิพพานได้เร็วดังที่มีพระสงกันนะหนึ่งในสมัยพุทธกาลที่เป็นปฏิบัติอยู่ที่ตีนเขาที่ผู้หญิงมีผู้หญิงสามารถรู้ความคิดของพระในวัดได้ทุกองค์ทุกความคิดอยากจะได้อะไรต้องการอะไรขาดหรืออะไรผู้หญิงก็หามาให้ตลอด จะรู้ว่าอ๋อผู้หญิงข้างวัดนี่เองอะ่ะรู้ความคิดของพระตั้งวัดเลยกว่าจะรู้ว่ารู้สึกก็คิดอะไรไปเยอะแยะและ้วมีแอบมีล ม, มไปเยอะแยะและ้วไอยแก่ใจรู้สึกอายแก่ใจอายผู้หญิงก็เลยพาไปเป่าพุทธเจา้าไม่ขออยู่ที่ตรงนั้นเพราะเกิดความอับอายและออยแก่ใจพุทธเจา้าให้กลับไปอยู่ในที่เดิมแล้วให้ระวังรักษา จิตใจให้ดีๆอย่าแอบบคิดแอบบมีอารมณ์ไปตามยถากรรมให้รู้มีความรู้สึกเสมอว่ามีผู้รู้ความคิดรู้จิตรู้อารมณ์เราได้ตลอดเวลาก็จะทําให้บรรลุปฏิพันธ์ไปได้ทุกท่านเลยก็ต้องจําใจกลับไปอยู่ในที่เก่าพากันระวังรักษาจิตใจของตัวเองไม่แอบบคิดแอบบนึกแอบบติดแอบบตองแบบปอปรุงแต่งแอบบมีอารมณ์ไปในทางที่ทําให้ละอายแก่ใจลายต่อ ผู้หญิงคนนั้นแค่ละความรู้สึกลายแก่ใจลายต่อผู้หญิงคนนั้นก็ทําให้สําเร็จพระนิพพานในภาษาานั้นได้หมดทุกองค์แต่เรานี้ยิ่งกว่าเลยคือถ้าเรามีความรู้สึกว่าเราลายแก่แก่ใจที่ลูกปู่รู้เราตลอดเวลารู้ความคิดรู้อารมณ์รู้รู้ทั้งอดีตรู้ทั้งอนาคตรู้ตั้งปัจจุบันรู้ทั้งมองทีเดียวลงรู้ถึงอดีตหมดอนาคตปัจจุบันรู้เกลี้ยงเลยรู้ความคิดรู้อารมณ์รู้รู้ภูมิจิตภูมิธรรม ทำไม่ได้อย่างไรปฏิบัติได้ยังไงมองทีเดียวรู้หมดความจริงไม่ต้องรู้ต่อหน้าท่านอยู่ห่างไกลยอย่างนี้ลงไปก็ยนรู้แล้วรู้หมดอ่ะถ้าดาดีแล้วไม่มีผิดพลาดอะไรท่านก็ไม่ตําหนิว่าถูกต้องแล้วถูกต้องแล้วถูกต้องทั้งหมดนะ้แต่ถ้าเห็นว่ายังมีอะไรที่ท่านควรเสริมท่านก็จะเสริมไม่ทันทีท่านพูดกันมาเองโดยเราไม่ต้องถามนั้นถ้าเรามีความรู้สึกตลอดเวลาว่าพระพุทธพระธมประสงค์ หลวงปู่ท้าท่านรู้เราตอลอดเวลาอยู่ห่างไกลขนาดไหนท่านก็รู้เราตลอดเวลาเรารู้สึกลายกับใจรายต่อท่านถ้าเราไปแอบคิดแอบนึกแอบตื่แอบต้องแอบปรุงแต่งแอบมีอารมณ์อะไรกับใครแอบมีอรมยอย่างไรไปทําอะไรในสิ่งที่ตําหนิควรตําหนิตีเตียนได้เราก็จะไม่กล้าสูหนาทาน่านเรามีความรู้สึกไวยอย่างนี้ตลอดเวลาไม่ช้าก็ไปรู้พระนิพพานได้เหมือนดังที่พระในสมัยพุทธกาลที่ไปปฏิบัติทินข่าวนั้นนี่เป็นทางลัดที่สุด แล้วเร็วที่ตุดแล้วแก้ปัญหาได้หมดแก้แช่แก้เอืยอนแก้ทึบอะไรได้หมดเรามาที่วัดนี้รู้สึกว่าไอท้ที่ไอ้สิ่งที่มากระทบทางเรานีรู้สึกเป็นเป็นอารมณ์เป็นเป็นประตูใจไหะอาจารย์ใหญ่เพราะว่าไปเดินนี้ก็ก็มีแต่แต่ประตูใจเข้ามาใช่ครับเพราะว่าตาก็ไม่มีอะไรเป็นกิเลสโอ้ไม่มีอะไรกิเลสนอกจากเรามีอยู่กันในหมู่คณะเนี่ยมีผู้หญิงผู้ชายอาจจะมีกิเลสทางตาบ้างกิเลสทางใจเราก็รู้ตัวรู้ตัวชันเสียก็ไม่มีใครว่าอะไร ถ้าเรารู้ตัวรู้ทัวฐานแล้วทุกพระพุทธเจ้ า, พ, า, า, พ, า, าพระธรรมพระยสงฆ์พหลานท่านก็ให้อภยัยตลอดเวลาแล้วก็เห็นว่าเรื่องธรรมดาเพราะว่ามันอยู่ระหว่างการฝึกจิตแต่ถ้าเราไม่ยอมรู้ตัวรู้ทัวฐานแล้วเราก็แอบคิดไปแอบปลุกแต่งไปตามเภอใจอย่างนี้ท่านไม่ยอมจะถูกตําหนิทันทีหลวงปู่ทาพูดว่ามาเที่ยวนี้พูดต้องสองสามรอบว่ารู้นั่นนี่ยคือพระพุทธรู้นั่นคือพระธรรมรู้คือพระยสง มารู้เราตลอดเวลาเราแอบคิดแอบนึกแอบตึกแอบ้ อ, บองแอบปงแต่งแอ บ, บมีอารมณ์อย่างไรมารู้เราตลอดเวลาให้มีหีนอตัตตะความละอายแก่จใจความเกรงกลัวตวบากก็จะเป็นทางมารู้มากผลนมิพานถ้าเรามีความรู้สึกว่าอยเราคิดอะไรไปไม่มีใครรู้หรอกแอบมีอารมณ์กับใครไปก็ไม่มีใครรู้แต่เอ h i ี้ยปฏิบไไัติไปยังไงก็ไปยังไงเพาะมคิดว่าไม่มีใครรู้ไปเลยก็ไม่มีความลาย ไม่ต้องลายกับอะไรกับใครมันก็อยากจะทําอะไรก็ทําไปทั้งนี้มันก็ไม่มีทางมารู้ว่าปฏิปานเพราะเราไม่ใช่เป็นผู้ดูผู้รู้นี่ไอ้ที่รู้เนะี่ยคือพระพุทธเจ้ า, า, า, าวพระธรรมพระสงฆ์บูชาท่านมารู้ว่ากำลังมีอารมณ์อย่างนี้กำลังมีอาการอย่างนี้ก็คิดก็คิดอยู่ว่าเออหลวงปู่แอบดูเราอยู่นะใช่ใช่ไม่ใช่เราเป็นผู้รู้ถ้าเราเอาผู้รู้นะั้นไปให้เป็นหลวงปู่เป็นพระพุทธาพระธรรมพระสงฆ์แล้วมันก็ผู้รู้นะั้นเป็นท่านแต่แล้วถ้าก็รู้ในใจเป็นกลางอยู่แล้ว จะไม่รู้สึกอึดอัดอะไรไม่รู้สึกว่าต้องแช่ต้องแน่นอะไรแต่ถ้ามันถ้าเราผู้รู้มานั่งรู้เองมันก็จะอดทิ้งไม่ได้ที่มันรู้แล้วมีความอยากอย่างนั้นอยากอย่างนี้ถ้าเรารู้ตัวเราเองเราก็จะมีความอยากตลอดเวลามันจะแน่นอึดอัดไมหมดแก้แค่นแน่นแก่อึดอัดแก้แช่ไม่ได้แต่เราถ้าเอาผู้รู้ให้ท่านเป็นยกให้ท่านนะให้เป็นยกให้พรุทธเจ้ายกใพระธรรมยกอห้ยโสยกให้หลวงปู่ทา ท่านมารู้เราอย่างเงี้ยท่านรู้เราตลอดเวลายกให้ผู้รู้นี่ยมารู้เราตลอดเวลาเรามีอารมณ์เราแน่นเราอท่านก็รู้ตลอดเวลารู้สึกว่าท่านรู้ตลอดเวล า, ว า, รล เ, วลาเรามีอารมณ์เราแน่นเลยอัดอย่างเงี้ยเราก็จะไม่สุขแน่ไม่รู้สึกมีเราไม่สึกสสอลองทําดูอันนี้ดีมากแบบเนี้ยผู้รู้มจะรวมหมดเลยสติสมาธิปัญญามัมนก็จะรวมอยู่ในผู้รู้นะถ้าอย่างนั้น ใครทำได้อย่างเนี้มีพระพุทธธรรมเป็นงคมีหลวงปู่คอยรู้อยู่ตลอดเวลาเหมือนอยู่ต่อหน้าท่านตลอดเวลาหรือท่านมาอยู่ต่อหน้าเราตลอดเวลาอย่างงี้นะอย่างนี้เท่ากับเป็นผู้มีสติตื่นอยู่ตลอดเวลาร้อยเปอร์เนต์ลยไม่กล้าทําอะไรที่มันไม่กล้าทําอะไรไม่กล้าคิดอะไรพูดอะไรที่มันเป็นสิ่งที่น่าตําหนิติเตียนอย่างนี้เท่ากับเป็นผู้มีสติบำบูณบริบูรณ์ตลอดเวลาเลยไม่พ่านจะไปไหนเสียอย่างเงี้ย ำคำการคิดพูดทำอะไรไปไม่รู้สึกว่ามีใครดูใครรู้ใครเห็นอยู่บางทีมัทําอะไรไมันไปทําในสิ่งที่ไม่ใช่คําสอนจะทําโน่นทํำนี่ทําอะไรกันมันไม่ตรงกับคําคสอนพระเจ้าคําสอนพระเจ้าเป็นทางตรงมุ่มงเอาคนนิพพานบางีก็ไปเล่นอย่างอื่นเสียไปทําอย่างอื่นเสียไม่ใช่คําสอนพระเจ้ า, าก็ไปทําในสิ่งที่ไม่ใช่คําสอนมันก็หลุดโลกไปอีกหลุดทํามไปอีก เดินทางไห้ตรงตามหลักธรรมคาสอนมงคลก็ไปเล่นแสงเล่นสีเล่นพลังเล่นดิสเล่นเดชเล่นอภิญยาไปเล่นทํานายทายทักผู้อื่นเล่นทําเป็นหมอดูไปเล่นรักษาโรคเม่นอะไรก็อะไรต่างเนี่ยมันไม่ตรงทางทางนั้นเน่ยมันไม่ใช่คําสอนพระพุทธเจ้า เ, เวลา ฝึกรู้จักแต่ว่ารู้แล้วปล่อยวางไปรู้จักแต่ว่ารับรู้แล้วปล่อยวางไป